จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอในคราวเพื่อมาสนทนาทำถามตอบคําถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทามสิงภาวนาทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงวันนี้เราก็จะเริ่มที่เด็กชายนะักคุณอันนี้เข้ามาก่อนเพื่อนเลยนคุณเป็นยังไงครับ มนมสัการค่ะงั้ <c oughs> นะคุณชนหรือเปล่าดหรือเปล่าไ ม, ไ, ไม่ดืเลยหรอคไม่สนะไม่ชวนนะนั้งชวนเร้นน่อยชวนไหมคะไม่ไม่สวนนะนั่นทเล่นไหมอะไรไหรอพูดติดไไงได้เพื่อนใหม่ๆได้ยังมาโรงเรียนใหม่ยังเลยครัยังไม่มีเพื่อนเลยเลย ทำไมล่ะตุต๊กตไงแต่บางทีก็เล่นบางทีก็ไม่เล่นบางทีเขาก็บอกว่าบางอย่างเป็นไงมีความสุขกับโรงเรียนใหม่ไหมถ้าจะถามดูก็ดีชอบชอบไหมมีเพื่อนพูดภาษาไทยได้ไหมมีไหมพี่ขวัญนะพี่ะอัญ ี่โรงเรียนก็สอนภาษา ญ, ญี่ปุ่นใช่ไหมทั้งไทยทั้งญี่ปุ่นทั้งอังกฤษค่ะอาจารย์อ่ไม่ได้สอนภาษาไทยเลยสอนสิบเปอร์เซ็นค่ะอสิเปอร์ภาษา 20% ยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วก็ภาษาอังกฤษอ่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นไทยล่ะไทยสิบปอร์เซ็นค่ะมีอะไรคะจะถามไหมครับไม่มีครับ นักนักคุณตั้งใจในหนังสือให้เก่งๆนะตอบให้ได้ที่หนึ่งนะมาตอบปนหลวงพ่อให้ได้ที่หนึ่งไหมคะทาได้ไห ม, ม, มต้องตอบว่าได้ครับผมจะพยายามทํำเต็มที่ครับได้ครับได้ครับจะให้นอนแล้วคะ่ะกลางวันก็เลยช่วงสองทุ่มเริ่ม โ ง, งเงี้ยโ ง, งเงี้ยค่ะเอ่อเอาภาษาเด็กนะอย่าไปถืออะไรถึงสือสารล่างๆมีอะไรอีกไหมไม่มีค่ะพระอาจารย์ปฏิบัติทุกวันตอนนี้เพิ่มเป็นเวลาเช้าแล้วก็ก่อนนอนสอเวลาเลยค่ะนั่งสมาทธิไหมอ่านั่งได้นานไหมนั่งตอนกลางคืนจะได้ได้นานค่ะครึ่งชั่วโมงบางครั้งก็ชั่วโมงหนึ่งค่ะตอนเช้าเช้าอย่างน้อยๆประมาณสิบห้านาทีค่ะ นั่งหลับได้บ่างนั่งหลับนิดหน่อยค่ะตอนเช้ า, อาตอนเช้าตอนเช้ามันมันไม่ค่อยไม่ค่อยตื่นค่ะว่าอาจารย์ตอนนะ้นั่งต้องมีสติกำกับใจนะอย่านั่งเฉยเฉนะค่ะตอนกลางคืนมันจะมันจะสงบมากเลยค่ะพระอาจารย์อ่ะถ้าไม่มีสติมันถ้าไม่หลับก็มันก็ฟุ้งซ่านได้ค่ะ พอฟุงรร้งซ่นก็ทำแบบที่พระอาจารย์เคยสอนเน่ยพุทโธพุทโธค่ะอดีค่ะพยายามทำลา้ไนปะที่พึ่งทางใจของเราไปนำใจทุกข์มันก็จะไปหาที่ไหนหลบก็เข้าไปในสมาธิได้ค่ะเวลารู้สึกว่าเวลาพอเริ่มฟุง้งหายใจแรงๆพืชหนึ่งมันก็สงบขึ้นค่ะแล้วก็กลับมาพุทโธด้สติกับคืนมาไม่ไม่หลงตามกับความคิด พอรูวาฟงก็ได้สติก็หนึงจิตกลับมาหยาดตามตามกระแสความคิดไปกลาพุโทโธพุโทโธพระอาจารย์คะถามเรื่องงานนิดนึงได้ไหมคะคือถ้าเราทํางานเกี่ยวกับเอ่าโรบอทใช่ไหมคะแล้วก็เป็นอุปกรณ์เครื่องจักรที่เอามาใช้แทนคนนะคะนี้เวลาเราไปพิเซศษเนี่ยหรือว่าเวลาเราคุยกับลูกค้าเนี่ยเราอาจจะจําเป็นจะต้องชี้ว่าเนี่ย ถ้ามีคนงานอยู่เท่านี้เท่านี้คนถ้าใช้โรบอทของเราหรือว่าใช้อุปกรณ์ของเราเนี่ยมันจะสามารถแทนคนได้สามารถไม่ต้องจ้างคนพอพูดไปถึงตรงนี้ก็เลยเรารู้สึกผิดว่าเราไปทําให้คนเขาไม่มีงานหรือเปล่ามันเป็นสัมมาอาชีพไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อมันไม่ต้องกังวลอะคนเราก็ปรับเข้ากับสภาพได้เมือ่อก่อนนี้ไม่มีรถยนต์เขาก็อยู่กันได้ไม่มีเครื่องบินเขาก็อยู่กันได้ ใา่ไหมไม่ต้องกังวลอ่ะเพราะโลกมันเปลี่ยนไปตามการตามเหตุตามปัจจัยแตอ่อะไรที่เราการกระทงเราไม่มีเจตนาที่จะไปคมไปทำร้ายผู้อื่นทำไปตามเพื่อพัฒนาให้ทุกอย่างมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นายอ อย่างบางออนเนอร์เขาก็บอกว่าเนี่ยตอนเนี้ใช้คนอยู่สิบกว่าคนอยากจะเอามาแทนคนเพราะว่าค่าจ้างแพงเราก็เริ่มรู้สึกแบบเออไปทำก็มันก็แบบนี้เศรษฐกิจมันก็ต้องมีการปรับพัฒนาไปเรื่อยๆคนที่เขาตก ง, งานเขาก็ไปหางานใหม่ปรับไปเรียนอาชีพใหม่ปรับเขาต้องมีการพัฒนาตัวเขาเองไปอ่าอาจารย์อ่าอ่า <Okay S 1> โอเคค่ะจะสบายใจขึ้นเยอะเลยค่ะตอนแรกเพแต่ว่าอย่าไปพูดแบบเวอ่อไปหน่อยก็แล้วกั น, นพูดไปตามความเป็นจริง อ, อย่าไปอ่ประคมและอย่าไปแบบว่าพูดเกินความเป็นจริงก็แล้วกันพูดไปตามความเป็นจริงอจย์โลกมันก็เป็นอย่างนี้โลกทางโลกมันก็เป็นไปตามกระแสของความโลก่ ทุกคก็แล้มันต้องการหาเงินก็ต้องการรายได้มากกว่ารายจ่ายลดรายรายจ่ายเพื่อจะ้เพิ่มรายได้มันก็เป็นไปตามกฎของกรรมกฎของโลกค่ะพระอาจารย์จะได้สบายถ้าเราไม่อยากแข่งขันก็ไปอยู่ไ ป, ไปบวชชีก็แล้วกันอ <c oughs> ย่างค่ะอะ <c oughs> ย่งเงินซื้อข้าวกินอยู่ค่ ะ, ะข้าวมันข้าวมัลองซื้อข้าวมันก็แพงขึ้นได้นี่อย่าง ค่ะพระอาจาร okay. ย์โอเคพี่อย่าโกหกเราลงกันกันแล้วกันนะค่ะพระอาจารย์พุทธค่ะอย่าพูดตามความจรงิงค <Okay. S 2> ่ะโอเคขอบพระคุณค่ะสาธุไปที่จมัดกัญญาที่เป็นเหานิมัสการพระอาจารย์ครับวันนี้จะมาทําอะไรบ้างวันนี้จะมา วันนี้จะมาสูกับบ้านแล้วก็รายงานการนั่งสมาธิครับอ่ารายงานก่อนครับก็คือตอนนี้ก็นั่งทุกคืนครับก็นั่งกี่สิบห้านาทีครับอืมยัดตีหรือเปล่าก็บางบางวันครับทำไมไม่นั่งพร้อมกันอ่ะพยายามให้กับพี่ก็าหยง่วงครับง่วงวก็ไม่เป็นไรก็ฝืนเอาเดี๋ยวว่างให้ง่วงเอง เราต้องว่าพี่เขาไม่งว่วงเราก็ต้องไม่ง่วงได้ <Okay. S 1> แล้วมีพี่เป็นคนเป็นโมเดลของเราเป็นไอดอลของเราแล้วเราแล้วเราตามไอดอลของเราครับ <Okay. S 1> ถ้าไม่มีพี่เราก็จะไม่มีใครช่วยช่วยดึงเราช่วยพาเราไปอันนี้เราโชคดีมีพี่จะมีมีเพื่อนที่ดีกั น, นยานนั่นเอง คนที่เขาทำสิ่งที่ดีเนี่ยถือว่าเป็นกัลยาณ์นมพคนที่เขาทำความดีเขาก็จะชวนเราไปทำความดีด้วยนะยพยายามทำด้วยกันนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่านี่15นาทีมันเร็วมากครับก็เลยเยาจะเพิ่มเวลาครับอ่าดีเ็าจะนั่นนงอย่านั่งเฉยๆนะครับออ นั่งมีสติมีพุโทโธแล้วมีดูลมหายใจเขออกบ <Okay. S 1> แล้วจะได้ผลถ้ามันนั่งแบบไม่มีสติมันก็จะฟุ้งได้นี้จะเผอหลับได้บ <Okay. S 1> หรือจิตอาจจะหลอกเราได้อเไรจอะไรขึ้นมาหลอกเราก็ได้โอเคมีท่านนี่ละใช่ครับอ่า <Sure. S 1> uh. ส่งการบ้านต่อเรามีความแก่เป็นธรรมดา alors, จะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงล้งนความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราจะ<น>ละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพรากจากของรักของจเจริญใจทั้งหลายตั้งทวงเ <umas> รามีกรรมเป็นของของตน มีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่เพื่องาศัยเราทํากรรมันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทหือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสิบใบเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเอิดยอมรับได้มไหมความจริงทเราจะตั้งพัด่าจากกันก็ยอมรับได้ อ่าเราไม่ได้อยู่ที่นี่ตลอดโลกนี้เป็นเหมือนสนามบินที่เรามาขึ้นเครื่องกันก็นยังนะครับอยู่ที่สนามบินก็เจอคนนั้นเจอวันนี้เดี๋ยวพอถึงเวลาเครื่องเราออกเราก็ต้องขึ้นเครื่อง ข, ของเราไปครับเรื <cierto> ่องการเครื่องมันนะคิดว่าเราอยู่ที่สนามบินกันนะไม่ได้อยู่ที่ <Okay. S 1> บ้านบ้านเรายัางไปไม่ถึงบ้านเราอยู่คืนนิพพานนู่นต้องไปให้ถึงนิพพานให้ได้ ไม่แล้วก็จะติดอยู่แล้สนามเบนเนี่ ย, เ ด, ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปลงอีกสนามบนเบนหนึ่งแล้วก็ลองเข้าไปหาเครื่องที่พาเราไปนิพพานนะครับโอเคเครื่องที่พาที่พานก็คือกรรมาฐานเนี่ยอาการ32เนี่ยท่องเอาไว้จําให้ได้พยายามนึกบ่อยๆเห็นใครเห็นได้ก็พยายามมองเข้าไปข้างในอ่มีอะไรบ้าง มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเที่ยนในกระดูกม้ามหัวใจตับทังปืดไ<ใ>ตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเขี่ยนในสมองสีสะนน้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหนืหอ น้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไข่ทอน้ำมูดน้ำมูดน้ำไข่ทอน้ำมูกน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเหนียวน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสล็ดน้ำดีเยื่อในสมองศีรษะอาหารเก่าอาหารใหม่ไส้น้อยไส้ใหญ่ ปอดใตถังผื่ตักหัวใจม้ามเนี่ในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันเล็บขนผมนางการนี้สลบแล้วไม่ใช่เราใช่ไหมใช่ครับเราเคยใครอค่าเราเคมีสิ่ผดนะรูเคยฟืู้เก่งเนี่ย เากำลังคิดถึงอาการทางที่สองอย่างนี้ไม่ใช่นั่งกายนั่งกายคิดไม่เป็นรับรู้อะไรไม่ได้เราเป็นผู้รู้ผู้คิดเรามาอาศัยน่างกายนี้เป็นเครื่องมือเราใช้นั่งกายพาเราไปทําอะไรต่างๆตามความอยากของเราครับโอเค นาต้องพยายามนึกบ่อยๆเห็นใครก็ตามเห็นใครก็น่าดูหน้ารักก็ต้องดูข้างในอข้างในน่ารักน่าดูเหมือนกันหรือเปล่าแล้วน่ารักน่าดูเพียงใดอยู่ข้างนอกมองเข้าไปข้างในนะมันจะไม่มีอะไรน่ารักน่าดูเลยใช่ไหมใช่ครับโอเคมีคําถามอะไรไหมคุณแม่ไม่มีค่ะแล้เนียปฏิบัติอย่างไรโอเค ยี่นาท่นี้ก่อนนะค่ะกราเอาพระผู้คุณพระอาจารย์ไปที่คุณสะวันกับคุณแม่ในประเทศฮอลแลนด์หลับมัสการพระอ า, าจารย์ครับมีคำถามไหมครับวันนี้ไม่มีคำถามครับมีอะไรจะเล่าให้ฟังไหมใรายงานนั่งสมาธิหรือเปล่า เ, เ, เ, เ, เออมีรายงานครับอ่ามา เออวันนี้ผมจะเล่นกับเพื่อนแล้วแม่ของผมก็พูดว่าผมไม่ไปทางไหนได้จต่ผมไปทางไหนเพราะผมเออกีแล็มันมาแล้วมองก็แล้วมองก็พูดว่าผมจะไม่เล่นเกมแต่ทำไมผมก็จะไม่ไปทางไหนล่ะแม่ไปเถอะแม่เพราะด้อย่างนี้จ้ะคะ่ะอาจารย์คือว่าเอ่อก็คือว่า ก, กฎกติกาที่ตั้งกันนะคะก็คือว่าเมื่อก่อนเนี้ยเขาจะ อนุญาตให้เข้าไปเล่นข้างในบ้านเพื่อนได้แต่ว่าห้ามเล่นเกมทีนีเ้เขาห้ามใจตัวเองไม่ได้ทําผิดกฎนะคะพระอาจารย์ก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนกติกาว่าอย่าเข้าไปเลยแล้วกันเพราะว่าถ้าเข้าไปเนี่ยโอกาสเสี่ยงว่าเพื่อนจะเล่นเกมเมื่อเราก็จะไปเล่นกับเขาอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์เขาก็ทราบนะคะพระอาจารย์วันนีเ้เขาขอไปเล่นบ้านเพื่อนเขาก็รู้ว่าเข้าไปในบ้านไม่ได้ ก็เล่นกันข้างนอกก็แล้วกันจะเล่นฟุตบอลหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยค่ะพอาจารย์ทีนี้เพื่อนชวนไปบ้านเขาก็รู้ว่าเข้าไปไม่ได้เอแต่ว่าเขาก็พูดกับตัวเองนะคะพระอาจารย์ว่าพูดเหมือนกับว่าหาข้ออ้างให้กินเดียร์ตัวเองนะคะพอาจารย์ว่าเอไม่เป็นไรหรอกเข้าไปได้เพราะว่าไม่ได้เล่นเกมหรอกแบบนี้นะค่ะพอาจารย์ค่ะพระอาจ า, ารย์เขาใจพอาจารย์เขาใจโย ของเราเราก็โกหกตัวเราเองใช่ไหมก็คือเราไม่ไม่ได้ทําตามกฎที่เราตั้งไว้ไ ม, ไม่ได้ทำตอนส่วนมันต้องมีสัด จ, จะตั้งกฎอะไรไว้ก็ต้องเข้ารบทนั่นงั้นตั้งไปทําไมละ่ะตั้งไว้เพื่อข้ามใจเราไม่ให้ไปทําในสิ่งที่เราคิดว่ า, ามันไม่ไม่เป็นคุณประโยชน์กับเรา ถาเาไม่ตั้งกฎเดี đ ỏ đ ỏ ๋ยวก็ถูกหลอกถูกใจเราลราไม่เป็นไรเราเดี um ๋ยวเดียวแป๊บเดียวออกไปเล่นเข้ากินเ่ไม่ดูเวลาเนี่ยแป๊บเดียวกายเป็นชั่วโมงแม่ต้องมาตามกลับบ้านนี่ยลองเข้าไปเล่นในบ้านนะเล่นนะเล่นนานไหมเออก็หนึ่งชั่วโมง เล่นเกมหรืเปล่าเล่นเกมเปล่าไม่เล่นเกมนะอแล้วรู้สึกไหมรู้สึกผิดผิดมไ้มรู้สึกว่าไม่ผิดอืก็อืมรู้สึกร่าไม่ผิดเพราะว่าผมไม่เล่นเกมเลยอืาแต่ผิดที่ไปเล่นข้างในบ้านอืมก็มีอยู่นิดนึงนิดนึง งี้ก่อนนี้ก็ให้ไม่ได้สิไม่ให้เข้าไปไม่เล่นในบ้านแต่ก็ยังเข้าไปอยู่จะ mm hmm. ทํายังไงดีต่อไหเปลี่ยนกฎหมาหรือเปล่าอัน mm hmm. นี้เอากฎเดิมอยู่ mm hmm. เพราว่าเดี๋ยวคราวหน้าก็เข้าไปเอนะงคราวนี้อาจจะไม่เล่นเกมหรยอคราวหน้าอาจจะมีเกมให้เล่นก็อาจจะเล่นกันได้ใช่ไหม เราต้องมีความหนักแน่นในการเคารพกฎกติกาตั้งกฎอะไรว่าเราต้องมีความหนักแน่น อ, อย่าทำผิดกฎกฎนี้มีไว้เพื่อช่วยเราให้เราปลอดภัยจายกการกระทำที่ไม่ถูกของเราที่จะทำความเสียหายให้กับเราได้ นะ mm hmm. เข้าใจไหมั้าใจครับโอเคไม่ต้องเสียใจเพียงแต่ว่าให้ดูว่ามันอะไรผิดอะไรถูกต้องยอมรับความจริงมันผิดก็ต้องยอมรับว่าผิดแล้วควรจะแก้ไขต่อไปก็มีคำพูดว่าคนง้องชอบแก้ตัวคนฉลาดก็ชอบแก้ไข ถ้ารู้ว่าผิดแล้วก็ต้องแก้ไขทำให้มันถูกไม่ใช่แก้ตัวว่าโอเกณใจเพื่อนหงือหุ้นอย่างนี้อะไรต้องไปเข้าใจไหมมีอะไรอีกไหมคุณแม่ก็พระอาจารย์ก็ตอนนี้เกมที่บ้านก็ไม่มีแล้วค่ะพระอาจารย์ก็เอาไปเอาไปขายทิ้งหมดแล้วจะ แล้วคุณมาคก็เลิกเล่นเกมเด็กขาดนะค่ะเพราะาว่าเขาก็จะเป็นตัว อ, อย่างให้ให้กับกับน้องสะวันด้วยนะเนีย่ยนี่ประเทศตอนตกนี้เขาเริ่มกังวลเกี่ยวกับเด็กที่ติดมือถือเขาจะหาวิธีแบนนะแบนเด็กไม่ให้เล่นมือถือมันว่ามันเสียหายมากเป็นเป็นตัวที่สอนให้เด็กทำอะไรที่ไม่ดีเยอะ ก็จะมีกฎมาว่าปีเนี้นะเจ้าขอ า, าจารย์เป็นกฎที่เป็นเป็นกฎหมายออกมาว่าเด็กนี่ห้ามเอามือถือไปโรงเรียนนะคะก็คือว่าในระหว่างในระหว่างคลาสที่จะต้องเอาไปเก็บไว้ในในตู้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ปิดเครื่องไปอย่างนี้เจ้าข้าพาจา้ า, ก, า ก, ก็จะมีมาปีนี้ค่ะโรงเรียนเขาก็แบนแม่เอาเอามือถือไปโรงเรียนครับก็เด็กเสียสมาธิหมดยามบางทีพ่อแม่ก็ เลี้ยงลูกไม่ไม่ว่างไม่มีเวลาที่มันดูแลก็ให้มือถือไปพอมีชื่อเด็กมันก็ดูมันก็เงียบมันไม่มาสร้างความสำคาญให้กับพ่อแม่แต่สิ่งที่มันดูเราไม่รู้มันดูอะไรบ้างมันใช่ค่ะพระอาจารย์เพราะว่าโยมาอยู่ในห้องพอดีว่าพอดีว่าตะวันเขาไม่มีมือถือใช่ไหมคะพระอาจารย์แต่ว่าเพื่อนของเขาเนี่ยก็แอป เบอร์โทรศัพท์ของโยมไปในกลุ่มอ่ะโยมก็เลยสอดส่องเห็นว่ามีทําอะไรกันบ้างแบบนี้ยจะข่าวพาจารย์ก็ดูแล้วก็มันก็มีบางจุดที่น่าเป็นห่วงนะคะอืมก็เลยว่ายังไม่ให้มือถือตะวันอาจาร์ยังเด็กอยู่เปมีความจําเป็นเลยเมื่อก่อน<ด>ไม่มีมือถืออยู่ ก, กันได้ถูกต้องาพาจาร์ถ้าจะใช้โทรศัพท์ก็มีแต่โทรศัพท์อย่างเดียวไม่น้อมีนอย่างอื่นใช้แต่โทรเข้าโทรออก นุ๊กพี่หนูพูดอะไรวาว่าผจะไม่ตายถ้าผไม่มีมอจรยบอกว่าพูดดานหนอจาไม่จะไม่ตายถ้าผมมีมือือแต่ไม่ตายถ้าไม่มีมือถอใช่ถ้าไม่ไม่ตายก็ถือว่าไม่จาเป็นไม่ต้องมีดีกว่าในความมากน้อยมีแต่ของจำเป็นที่ต้องมีของที่ไม่มจำเป็นก็อย่าให้มีมือนเพราะมันเป็นมันเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณของที่ไม่จำเป็น ของฟุ่มเฟือยแังๆโลกเราสมัยนี้มันจเจริญกันมากมันทางด้านวัตถุอะไรเนี่ยูวัตถุเกิื่นเ้าไปเด็กในเมืองไทยอย่างนี้เป็นได็กอ้วนอย่างนั้นเลยเด็กวัดสายบาดเดนอ้วนๆทั้งนั้นเลยเมื่อก่อนไม่เคยเห็นนั่นเด็กแบบนี้นานๆจะมีสักคนสองคนนี่มันแทบทุกคนเลยนี่อ้วนกันทั้งนั้นเลย มีพ่อแม่ครอบครัวหนึ่งเคยให้นมเขาขนมก็พ่อแม่บอกตอนนี้ห้ามก็ไม่ให้กินแล้วร้องลดน้ำหนักก็น้ำตาลมันขึ้นต้องปวดเนื้อเป็นเบาวังเบาหวานในยอายุมาต้องเป็นกันแล้วนะคะอาจารยสมแข็งถึงเป็นเบาหวานแค่สิบขวบสิบสองขวบใช่หมอืมเนี่ยครับอาเป็น เป็น ADHD ด้วยค่ะอาจารย์เป็นโรคอยู่นิ่งไม่ได้สมาธิสั้นก็เป็นกันเยอะมากเลยค่ะอาจารย์พอมีอื่นนะคะตามจเจริญที่ไม่มีธรรมะคอยควบคุมมันก็เป็นอย่างนี้กิเลสมันไปถูกกิเลสเป็นผู้ผู้ครอบงําไปหมดไม่มีลิมิตอยากอยากกินเท่าไหร่กินไปอย่างดูอะไรดูไปอยากฟังอะไรอยากฟังไปน่ากลัว แต่ก็เป็นเรื่องกรรมของโลกมันต้องเป็นไปตามตามกฎแห่งกรรมสังคมมันมีเจริญแล้วก็มีเสื่อมเจริญทั้งวัตถุแต่เสื่อมทางด้านจิตใจถ้าบุญมีไม่พอนี่ไปเกิดในครอบครัวที่เป็นมิจฉาทิฐิมินังกวามากเลยนะคะพระอจาจารย์กวจะฟื้นตัวขึ้นมาได้อาจจะไม่รู้เลยไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ถ้าไม่มีของเก่าเก็ตัวมานี่มันอาจจะไม่มีรายตั้งเลยใช่ค่ะพระอจาจารย์ โอเคมีอะไรไหมก็พระอาจารย์าคุณมาโก้ได้บอกไหมคะว่าเขาลดน้ำหนักมาได้สิบห้ากิโลแล้วค่ะตั้งแต่เริ่มมาตีสิงแปดสัปดาห์ลสองชั้นนะครพระอาจารย์ก็ที่ว่าเขาไม่ได้พูดแต่เขาพูดว่าเขาก็พยายามรักษาสิงแปดไม่ใช่ที่ละสองวันอะไรอย่างงี้ค่ะแลทำมาเรื่อยๆจะขอพระอาจารย์โยมยังทำได้แค่สัปดาห์ละวันเดียวเองค่ะพระอาจารย์หิวต้องดูไปเรื่อยๆระยะทางมันเครื่องพิสูจน์นะามันเครื่องพิสูจน์คน <ค>แต่ก็กเห็นความตั้งใจค่ะพระชายก็มูทนากับเขาด้วยอย่าประมาท ก, ก็แล้วกันอ่าเป็นมาตื่นต้นมาตีนต้นพอตอนปลายก็แผแ่วจากวิ่งก็เดินอตแต่ก็ดีอนะ่ะให้กําลังใจเขากันดีกําลังใจพระชายแต่ว่ายมผู้ฝ่าเนี่ค่อยเป็นค่ะพระชายยงเป็นผู้ตรงตรงว่าตอนนี้เห็นเือแบบคึกคักมากเลยนะระ ว, วังจะแผ่วนะคะพูดดักไว้ก่อนกับพระชาย โอเคขอบพระชาติขขอบพระคุณพระอาจารย์พยายามยึดสินพยายามยึดสินทํรมไว้มันเรื่องมันเครื่องปกคล้องใจเรานะมันมีสีนมีธรรมแล้วจะปลอดภัยพระอาจารย์มีอะไรแนะนำโยมเพิ่มเติมไหมครับพระอาจารย์ก็ไม่แล้วก็สีนธรรมเนี่ยที่แนีนํเาไปเนี้เป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษยถ้าไม่มีสีนธรรมแล้วจิตใจก็จะเสร่จมลงไปเป็นเดรัจฉานเป็นเป่าเต็ เรวันจะทาบาเปเด้วยด็ดขาดสินห้านี้ต้องรักษากันเป็นนิจสินถ้าเป็นพุทธศาสนิกชนนี้ต้องถือสินห้าตลอดชีวิตไม่ใช่มาถือแต่เฉพาะวันพระวันเดียวันพระนี่มาถือสินแต่จริงแต่วันธรรมดานี้ถือสินห้าไปตลอดชีวิตจะไดปะ้ปิดประตูมาได้ก็ ไม่เอาแล้วค่ะพระอาจารย์เป็นรกค่ะไม่ไม่อยากไปแล้วอย่างตอนนี้ฝนตกเสียงค่ะจะดังหน่อยนะยัได้ยินอยู่ไหมได้ยินเสียงเราอยู่รู้บ้าอ๋อได้ยินเจ้าพระพจาแต่เสียงเมื่อสักครู่นี้รู้สึกจะหายไปช่วงหนึ่งค่ะพระอาจารย์แต่ตอนนี้ได้ยินป ก, กติใ ค, ค่ปะยังไปที่คุณแม่น้องทีน้องีมารู้บางทีนี้ กลับเรียนาชการค่ะหลวงพ่อน้องพีนอนแล้วค่ะพรุ่งนี้สอบค่ะมีอะไรไหมมีค่ะพอดีว่าหนอยากจะสอบถามนะคะว่าอย่าง เ, เราเมีครอบครัวใช่ไหมคะอย่างพ่อแม่ของเราอย่างเงี้ยค่ะเขาสวดมนต์ไหว้พระแต่ว่าเขายังมี เ, เขาเรียกว่ายังมีมิจฉาทิฐิอยู่ในตัวมากแต่เรา ไม่สามารถที่จะไปพูดไปบอกอะไรเขาได้อย่างนี้จะทำยังไงดีอะคะจะทำยังไงให้เขาแบบเข้าใจก็ถ้าเป็นไป ไ, ได้ก็ชวนเข้าไปไวแาจะฟังเทศน์ฟังธรรมจบกอูบาจะาที่มีสําทิฏฐิเราสอนเขาไม่ได้แต่เรากะหาอุบาให้เขาไปฟังจากคนอื่นได้เพราะเราไม่อยู่ในฐานะที่จะสอนพ่อแม่ได้ไดแต่เราก็จะชวน เนี่ยคุณหมอภาคินาก็ชวนคุณพ่อปัปฟังเทศสั่งทำที่ปฏิบัติกังเราท่านก็ได้ได้มีสามาทิฏฐิเสร็จเช่นได้เขาก็มีก็เห็นก็มีเล่าให้ฟังว่าเออเขาก็มีไปแบบที่วัดของเขาเหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจจะแบบว่า อาจจะสอนในแนวทางแบบฮาร์ดคอร์นิดนึงซึ่งหนูฟังแล้วมันมันคน ล, ละทางกับทางของหนูก็ค่อนข้างจะเป็นหัวแตแก ก, ก็สวดมนต์ไหว้พระตลอดนะคะอันนี้มันก็ช่วยได้นนาดบางทีันนานาจิตใจใช่ค่ะร่าง่ามอชอบรางยามแต่คนอาจจะชอบทำแบบไม่เหมือนกัน เ, เราก็าเหมือนเราชอบกินข้าวผัดเขาชอบกินเวีเดียวเราจะไม่อยาก้เขาเป็นข้าผัดกับเราน่ไม่ได้ต้องปล่อยไปนอกจากว่าเขายินดีที่จะมาอไปกับเราบางครัง้งบางคราวเมี่ยไปแล้วเขาจะชวนให้มาเข้ามาด้วยจะดีไปถ้าไม่มาไปแล้วไปเราทำหน้าที่ของเรานะแล้วแล้วแล้วอย่างนี้นี่ถ้าเกิดว่าคนที่เขาปฏิบัตินี้ฮะตั้งใจที่จะปฏิบัติ ส่วนมน์ไหว้พาถือศีลแบบนี้ตลอดอย่างนี้คะ่ะแต่ว่าเขาพิเจอครูบาอาจารย์ที่ผิดอย่างนี้คะ่ะสอนคือก็สอนเหมือนสอนสอนดีนะคะแต่อาจจะแบบแทรกการเมืองเข้ามาแทรกอะไรทำให้แบบเกิดความรู้สึกเพิกเฉิมหรืออะไรอย่างนี้อย่างนี้เขาจะได้บุญไหมคะหลวงพ่อเราก็ได้ไม่ฉาที่สิดเข้าไปอืมทีม่ทำให้ผิด คือการบ้านการเมงเป็นเรื่องที่เราไม่ควรที่จะให้ความสำคัญตอนนี้ให้ความสาคัญเราเลือกทำมากเลยอย่างการบ้านการเมืองมันนำไปสูความทุกความวุ่นวายจมากก่าความสงบแต่ถ้าเขาชอบยังชอบอยากจะช่วยได้ไหมกิจกรของเขาคนเราต้องรู้ใจแยกแยะเองว่าอะไรเป็นสยยอะไรเป็นุอนณอะไรเป็นโทษ ช่วยไม่ได้ก็คงต้องอุเบกขายอย่างเดียว ข, อ, ข อ, บอบคุณนะคะลุงพนะ่อโอเคมีแค่นี้ใช่ค่ะแล้หนูขออนุญาตลาไปฟังที่ YouTube ในทีวีใช่ใครที่ค<อ>ุณหมอที่เชฟนอนคุณหมอที่เชฟกลองเกาลดามัศการพระอาจารย์ครับขอบคุณาพระอาจารย์ได้ชบายบังคับจิตใจด้วยศรัทธาและความเชื่อครับอาจารย์ การมันข้าบิดใจให้สัตว์ขาดเชื่ออันนี้มันก็เป็นไม่ดีแต่มันจะไม่ดีเท่ากับการใช้สติสใช้ปัญญาครอบงำใจแต่เมืเริ่มเริ่มต้นถ้ายังไม่มีสติไม่มีปัญญาก็ต้องใช้อะไรสัตว์ไ่ให้ม่มเชื่อในถรร้ารรเราไปล่าเช่อควู้ใหความเาม ดยการพยายามเข้าหาศึกษาเข้าทำคำสอนเรือยๆ เ, เพราะว่าธัรมชานินี้มันมันยังใจทํคตามจอยู่เงถจะเราฟังแล้วก็จังจำได้แล้วก็จะเชื่อแต่พอเราไม่ได้ฟังไม่อะไรบางทีเราก็จะลืมถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นที่อยากจะมาทำให้เราเสื่อมศรัทธาให่มันจะได้ แค่เราไม่ได้ยินขาวไม่ดีของท่าทางยูด่านี้ออใช่ไหมครับเราเกี่ยวกับการที่เขาทำให้แบบแบบความกำลัทงที่เขาพูดก็ฟัม่สอนก็ไม่ไปเสี่หกับท่ารุ่นนัน่นเลยแต่ก็แยกแยะไม่เป็นแต่ถ้าใช้ใช้สติใช้ปัญญาเจกแยกแยะเขาพูดถึงความเหมาะสมในหรือความ ยอมเสียเป็นบุนคคมที่ยอที่จะกิดนี่เป็นแนวทางยอมพาชีวิตไปสู่ผู้สุดที่จะเล่นได้แต่บุคคลที่มาปฏิบัติในศาสน า, านี้ก็มีแบบหลายบุคคลที่มีทางจะมารยู่ทางตลาดมีท า, า, า, ทาก็มีลุคคลที่ยังมีทานี้ ที่น้อยก็หนึ่งเพรไม่มีทำอไรเลยจะจะมีโ้หารีวิธีการพูดน้อมเนวาุูกใจกันโดยการอ้างธรรมบางพ้อบางอย่างมาเป็นเปนประการบางที่ไม่ฉชรายงานจะถูกเขายืนยันได้เพื่อสัตย์ายยางเวียองี่ยังไม่จบ ให้รักษาจิตใจให้อยู่ในนูแนวทางในนักสมนิพนธ์ต้องมีต้ใช้สติใช้ปัญญาพยายามปฏิบัพยายามทาเพื่อการทำการทำจากของแท้ของจริงทาแท้ศึกษาพระไตรปิฎกบ้างปัญญาพระเศวาสามนิพพาน ว่าเน้อสุขภินทุกวันเ่าหได้ทำไปล่ะ้าใจหยอวันเราหว่อนไม่ได้ต้อใจเยหย่อนม่มมีความรู้มีเก่งความรู้ทำการมากมาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเอ่จะมีเกี่ยวกับพระธรรมคสอนอีกแล้วมันได้กางเข้ารุกเข้าใจรุกซึหงมากขึ้นในตัวของพระพุทธเจ้าเองนการทำคำสอนเองต้องเ้า เรานั้นศึกาเนี้ยเป็นส่วนหน้าส่อนย้อน่อนเราต้องมีศักษาเนี่ยเราต้องชอามรเมื่อเรียนแล้วไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นเราต้องพัฒนาศึกษาให้เป็นพันยาพิษยางนีครับด้วยการเรียนรู้ทักษความรู้เราจะพยายามสร้างติดตั้งฉาแเ้วสามารถท่จะมีสื่อสำหรับการเรียนรู้ที่จะทุกประวัติศาสต์ได้ สี่ห so ้าปีของพระเจ้ามีอะไรบ้างนมันกาหดกันไะได้เรียนรู้ทำอะไรต่างๆเว่าจะไม่ไม่ไม่สามารถไปอ่านจากก็ใสกันอยู่จจอจะหาหนังสือที่คัดมาจากก็ใสเดียวยิ่งเต็มยังเรื่องเป็นขั้นตอนต่างๆมามันรื่องที่ได้ แนื้อางปฏิบัติงานนั้นเป็นรมะของผ้าปฏิบัติวิปฏิบัติจริงดังปรโยชน์ได้ปัญญาเพื่อที่จะทให้จิตใจเราไม่ขัดลยเาที่เราไปเห็นเห็นที่เราอาจจะไม่เข้าใจว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องของมนุษใช่ต้องมีเหมือนชาต ถ้าไม่มีสัญชาติก็จะไม่เข้านะครับที่สัญชาติสัญชาติไม่มีว้เพื่อ น, นำไปสู่ปัญญาแต่สัญาิงคั้งที้ไม่ไช้พอเประการที่จะใารสิดให้ลุ่มทานจากความคุ้นยาดีกว่านั้นอาจารย์ก็เ ข, ข้าใจมากขึ้นแล้วครับอาจารย์ ได้ยินเสียงได้ยินเสียงชัดเจนนะมีเสียงซาซาแรกเข้ามาเหมือนกันครับอาจารย์แล้วพอฟังรู้เรื่องนล้วพอฟังรู้เรื่องครับเดี๋ยพเพราะที่ฝตกหนักที่ที่กิดเหตุฝนตกดังเสียงดังเสียงมันจะแบบซาซาหน่อยถ้าได้ยินฟังรู้เรื่องก็เหนียวเปล่พูดไปแล้วไม่มีใครฟังไม่ไม่มีใครได้ยินฟังรู้เรื่องครับอาจารย์ครับเก่ากับก็คุณอย่างสูงครับอาจารย์ หายใจคนเสียสิมาต่อเป็นผู้กเนมังค์ทางเพศคนตกว่าตอนนี้กล่าวนวัเสกการค่ะบระอาจารย์หยุดแล้วค่ะแต่ว่าแถวแถวแผ่นนี่น้ำท่วมนิดหนึงค่ะอืมอันนี้ไม่มีคำถามก่ะพอาจารย์ปฏิบัติทุกวันเหมือนเดิมค่ะเ็แบบเดมอยู่นะเหมือนเดิมค่ะถ้าออกพรรษาแล้วถ้าไม่เคยสิ่งแต่กวต้องเสิ่งห้าต่อนะได้ค่ะพระอาจารย์ต้องมีสิ่งต้องมีมีเสียนรักษาความเป็นมนุษย์ของเราคะ ถ้าเป็นเสีเมื่อหไหร่วการเป็นมนุษย์งรจะค่าอยับยังด้ไหมค่ะท่าสายยิ่งชีวิตพระอาจารย์มันีวิตเีจะ่าสายแข็งแรงอ่าชมจ จ, จากโคเบะมันไม่ตอมั่งมีผลใ น, น่ไหมใต้ผลผหรือเปล่า น, นัการพระอาจารย์เจ้าค่ะไม่มีฝนเจ้าค่ะอากาศร้อนทุกวันเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ต้องมีไ้เข้าไปใช่ไหมยึดหมอนนะมัน ตอนนี้ไม่มีนะเจ้าคะ่ะเเรียเดียวไปจีนหมดแล้วอะค่ะอาจารยอาทิตย์ที่แล้วหนูไม่ได้เข้ามาค่ะพระอาจารย์เข้ามาเล่าเรื่องที่หนูเจอวิบากกรรม <c ười> คือหนูช่วงช่วงสองอาทิตย์ก่อนนะคะพระอาจารย์เจอวิบากกรรมก็หนักอยู่เหมือนกันเจ้าคะ่ะก็คือลูกสาวของหนูะะ่เจ้าค่ะเขาอยู่ดีๆก็เป็น เส้นเลือดแตกในสมองเจ้าค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ก็ยังอยู่โรงพยาบาลผ่าตัดผ่าตัดสมองไปวันจันทร์ที่แล้ววันนี้ได้ไปเยี่ยมก็ก็แบบแค่ลืมตาโพงอะค่ะพระอาจารย์แล้วก็แข็งแขนซ้ายยกได้นิดหน่อยขานี่คือไม่ขยับเลย ก, ก็ได้เรียนรู้ว่าเออชีวิตคนเรานี่มันเปราะบางจริงๆนะเจ้าค่ะ เรามีควา็บไขได้ป่องวยเป็นธรรมดาจะค่ะเป็นเมื่อไหร่ไม่มีรู้ดงั้นอยาาา่าตำนองเปลียตัวเปียมใจนับสมันไห้ว่าเราไม่ได้เป็นมันพราะงานยากเกินเราออกแรงาานใดเราเป็นผรัเองก็ขอบคุณพะอาจารย์ขอบคุณพระพุทธเจ้าที่สอน เพราะว่าได้เห็นความจริงก็ตอนนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ไม่ได้ค่ะไห่เสียอกเสียใจไนมะ่ลุกมากทุกข์ทรมารย์ใจไนะมตั้งแต่ที่หนูปฏิบัติทำมาสองปีที่ได้รู้จักพระอาจารย์มาที่พระอาจารย์ได้ชี้ทางมามันช่วยได้เยอะเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้รู้สึกเศร้าโศกเสียใจขนาดนั้นนะคะแ ต, แต่คนพวกเพื่อนๆญาติๆเนี่ย พอได้ได้ทราบข่าวอะ่ะเขาก็จะแบบเป็นไรไหมเป็นไรไหมอย่างเงี้ยคะ่ะก็บอกเขาไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็รับยอมรับมันนะคะพระอาจารย์ก็เข้าใจเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเลยะคะ่ะว่าที่ท่านสอนว่าไม่ให้มองไปข้างหน้าแล้วก็ไม่ให้มองกับย้อนกลับไปข้างหลังให้อยู่กับปัจจุบันมันเป็นอย่างนี้นี่เองเพราะว่าบางทีอาคานูก็มีมีบางช่วงที่เผลอ เลือจากพุโทโธบ้างมันก็คิดไปข้างหน้าคิดไปข้างหน้าก็ทุกข์ย้อนกลับไปคิดข้างหลังมองย้อนกลับไปก็ทุกข์ก็เลยฮึบขึ้นมาพุโทโธพุธโทโธมันก็มันก็ยังทุกข์อยู่แต่ว่ามันก็เบาบางลงนะสิค่ะก็พยายามพยายามเท่าเราเกิดมาต้องแจอะต้องเสียต้องตายอยู่ใันตอนตอนที่ลูก ของของหนูเขาผ่าตัดวันจันทร์ที่เก้าที่ผ่านมานะเจ้าค่ะคําว่าเอบทสวดที่พระอาจารย์บอกให้ท่องอ่ะคะ่ะเรามีการเป็นของของตนมีการเป็นผู้ให้ผลมีการเป็นแรงเกิดมันผุดขึ้นมาในในใจตลอดเวลาในช่วงเวลาเจ็ดชั่วโมงที่รอเขาผ่าตัดสมองอะค่ะเจ้าค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์มากมากนะเจ้าค่ะที่ให้น้องเด็กเขาท่องแล้วหนูก็เอากลับไปท่องที่บ้าน อือเป็นธรรมะที่พระเจ้าทรงสอนให้ชาวพูดเราพิจนนาอยู่ทุกวันก็ค่ะพิจนรณาให้มากๆแบบบ่อยอย่าลืมความจริงกันนอย่ามักจะลืมกันตอเกิดเหตุการณ์เานี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ทำใจไม้ว่าจะตกตกใจกอนค่ขอบคุณพระอาจารย์อยากขอบคุณพระผุ้เจ้าค่ะแต่เราต้องเฉยๆนะต้องมีเรื่องขอ ทำเฉยนี่ไม่เลยนะครับว่าเราใจฉิวใจดํารื่องอะไรเราต้องรักความความความปลอดภัยของใจเราไว้ให้มันเต็มปกติทุกไปเ้าไม่เกิดมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรใช่ไหมแล้ ว, ลวสูบเสียใจก็มันก็ไม่เงื่อนไปทําให้ก็หาัยก็ไม่ใช่ค่ะตอนแรกตอนแรกหนูก็แบบอุ้ยทาไมมันหนักอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะ หนักเหลือเกินทําไมสิ่งที่เจอมันหนักอย่างนี้แต่พอพอเราไม่ยึดมั่นถึงมั่นมันก็เบาเบาขึ้นมาทันทีเลยเจ้าคะ่ะพระอาจารย์อืมใช่เราไปแบกมันเอ ง, งนั่นเองค่ะเรเข้าใจว่าเออมันเป็นอย่างนี้นี่เองสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนี่ก็คือท่านสอนตรงสอนถูกสอนจรงิง ม, มันเป็นเองก็ตอนที่เห็นทุกเนี่ยเจ้าคะ่ะ เราไม่ด็กคนอนื่นที่อยู่ในโรงพยาบาลเราไม่ไปทุกกับเขาอย่างไรใช่ไหมในโรงพยาบาลไม่ใช่มีลูกเราคนเดียวนะมีเด็กอยายายาื่ก็เยอะแยะทีต้องก็เป็นดีไม่ดีไม่ดีเป็นมากกว่าไม่ก็มีทำให้ทุกข์เพราะเราไม่ไปยึดไปติดเขาใช่ไหมที่เราทุกพรเราไปยึดไปติดคนที่เราถือว่าเป็นของเราลวกเราน มันยึดเสรมันได้เลยแล้วได้แต่ความทุกข์อุปทานในฐันห้าของโลกเป็นทุกข์ยังไงก็ค่ะยังไงคนเราถ้าไม่จากกันวันนี้อีกหน่อยก็จากกันอยู่ดีใช่เมื่อก็ไม่ไปก่อนแล้วก็ไปก่อนแล้วไปพร้อมๆกันก็ค่ะแต่เราไม่ได้ไปเราผู้รู้รผู้กินที่ไม่ได้ไปไหน น้องก็ยังเรีนยนไหวตายเกิดต่อไป <Okay. S 1> ถ้าเราเบื่อนล้ตัดกิเลสให้หมดไปจใจจะได้ไม่ต้องกลับมา เ, เจ็บแกเจ็บตายอยู่เนื่อยๆโอเนะทาใจน ะ, อะขอบพระคุณเจ้าค่ะนัสมาธิสนรพิจารณาปัญญาอยู่เรื่อยๆขอบพระคุณเจ้าค่ะค่ะจุ ใครที่ก็ลูกตาต่อให้ลูกตาชนเลยในลูกเต้าว่ะนาัสกาลครับอาจารย์ไม่มีค่ะอ่าก็เป็นมูลนะคนที่ไม่มีลูกเป็ น, ปนมูลนะค่ะแค่เวลาตัวเองป่วยก็ทุกข์ใจแย่และครับอาจารย์ใช่บางคนอยากยังมีลูกเลือเกินไม่มีลูกก็ไปหาหมอให้เขาผาสมเทียมให้ไปหากองทุกข์มาใส่หัวแต่ฉันไม่ไม่เคยคิดเลย แนวความหลงมันเหลาได้ขนาดนั้นยอมเสียเงินเสียทางไปทำทากบทำกีบอะไรแล้วพอได้ลูกมาแล้วงมาเศร้าโศกเสียใจแล้วลูกเป็นอะไรขึ้นมาดีแล้วไม่มอีอยู่ตัวคนเยอไดดีที่สุดค่ะก็ไม่ไม่มีแล้วก็คิดว่าจะไม่ไม่ไม่ทำด้วยค่ะถ้าไม่มีก็คือไม่ ไม่ต้งกลัวแก่ไม่มีใครมาเนี้ยงเราหรอลูกเรามีกี่คนตรงทีมันก็ไม่เลี้ยงเราอยู่ดีดมีแค่พ่อแม่สองคนเลี้ยงลูกได้สิบคนแต่ลูกสิบคนเีน้ยพ่อแม่สองคนไม่ได้ตอนแรกก็มีกลัวนะคะพระอาจารย์แต่ว่าตอนหลังก็ต้องคิดว่ายังไงถึงมีหรือไม่มีเราก็ต้องพึ่งตัวเองค่ะใช่ถูกต้องอัตตาหอัตโนมัติตอนมันได้เพื่อนของตอน เป็นที่พงที่ดีสุเพราะมันเราอยู่กับตัวเราตลอดเวลานะล้วเราพึ่งตัวเราได้แล้วเราสบายถ้าพึ่งไม่ได้กร็ตายถนะ้็ถึงเวลาที่ระต้องตายค่ะอาจารย์ตอนนี้ก็เลยเ อ, อต้องหาโอกาสต้องนั่งสมาธิให้ได้ทุกวันค่ะก่อนนอนออตอนนี้พยายามทําให้ได้ทุกวันแล้วค่ะแล้วก็ต้อง ทำนั่งให้นานนานขึ้นค่ะนั่งให้นานเึ้นฟังเทศฟังธรรมสลับไปด้วยกันเองมันมีธรรมะคอยเหลาเรื่งจิตใจค่ะก็ยังฟังธรรมของพระอาจารย์อยู่ตลอดของภูบาอาจารย์ก็ฝังได้ถ้าหากจะมีแนวความคิดอะไรที่แปลกใหม่อาจจะได้ปัญญาขึ้นมาเร็วขึ้นก็ได้ใช่ไหมจ๊ะมาใ้เป็นภูบาอาจารย์ใายปฏิบัติธรรมแล้วกันค่ะ โอเคตอนนี้นะมีอะไรไหมไม่มีค่ะพระอาจารย์กลับขอบพระคุณบคุณมซันนี่ก ร, รุงเทพม้านครับการในมัด ก, การพระอาจารย์ค่ะเข้ามาร่วมฟังธรรมไม่มีคําถามค่ะ อ, อุนซาตะการไชน่าอืมปรับฟังธรรมพระอาจารย์ปฏิบัติอยู่ค่ะอืมพร้อมที่จะเจ็บไหมยังพร้อมที่จะคลายได้ป่วยไหมยัง คือปกติอาคาะค่ะว่าจารย์เจ็บอยู่แล้วค่ะค่ะปัญหาไหล่มีปัญหาค่ะน้องปวดแต่ก็อยู่กับมันได้มานานขี้เกียจไปหาหมอ อ, มอย่างก็ขี้เกียจมีคนก็มีนคนกยแนะนําว่าถ้าไม่จําเป็นจริงๆริงอย่าไปโรงพยบาบาลอยู่แล้วก็คืาทำงานอยู่โรงพยาบแต่ก่อนแล้วก็คิด อ, อะไรเยอะอะค่ะประจนัน ตั้งแต่มันจําเป็นขอขาดบาดตายอุบัติเหตุอะไรต้องไปไปแต่ถ้าพอพอที่ยาประทีบประนครดูแลได้เรอย่าไปดีกว่าค่ะก็ก็ก็นอนอะไรอย่างเงี้ยครับปวดลุกก็ปวดแต่ก็เฉยเฉยก็ก็อยู่กับมันค่ะอาจารย์อืเพราะว่ามันก็มันก็เป็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์สันสัตว์กับเราค่ะรักษาใจไว้ในการนะ้ค่ะ <Okay. S 2> เดี๋ยวถามอีกอีกอย่างหนึ่นะคะไอ้การที่แบบบางชีเวลาเราเนี่ยอาจจะอันไหนที่เราพอช่วยเหลือได้เนยค่ะเราก็ช่วยเหลืออย่างเงี้ยแต่ว่าบางคนนะคะที่ที่เขาส น, สนิท ก, กับเราเขาก็จะบอกว่าเราเป็นคนใจอ่อนแล้วบางทีอ่ะพอคนที่เขารู้เจออย่างอย่างลูกอบบเคยให้ยืมเงินแล้วก็ลูกก็ไม่ ไม่เอาคืนนะพระอาจารย์ลูกเห็นว่าแบบเออเขาคนส่วนมากยิงเงินกก็จะผัดผ่อนลูกก็บอกว่าลูกก็ไม่คือลูกช่วยเพราะว่าลูกเห็นใจแต่ว่าก็จะมีคนบอกว่าเขามีปัญหาเกี่ยวกับไอ้พวกแบบเขาเล่นเขาเล่นหวยติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์อันพกก็ช่วยไปล่อมแล้วแล้วทีเนี้ย ส่วนมากลูกก็มีอะไรอ่ลูกจะให้แต่พอตอนหลังเขาไม่ยืมเงินอีกลูกก็บอกว่าขอโทษนะลูกลูกไม่ให้ยืมแล้วเพราะว่าคือแฟนก็ก็จะห่วงลูกเรื่องเนี้ยแล้วก็พี่ที่สนิทกันเาก็บอกแกใจอ่อนพอเวลาใครมาอะไรอ่ะเขาจะรู้จุดนี้ลูกก็เลยแบบเป๋นิดนึงว่าเอ๊ะเราแบบแต่ถ้าช่วยได้เราก็ช่วยอย่างชอด คือคืออย่าไปช่วยให้เขาไปทำในสิ่งที่ไม่ดีกับตัวเขาอให้เงินเขาไปเล่นการพ น, น, านัในให้เงินเขาไปซื้อสุรามันเดิมให่คนจะช่วยแบบนั้นแต่ถ้าเขาไม่มีข้าวกินให้ให้ใหใหปัจจัยสีนะ่ขาดแคลนมาช่วยเหลือกันไปแต่เรื่อง<บ>ของฟุงฟ่มเฟือยอย่าไปช่วยเหลือกันออเอาเองาเองไม่มีเงินไปเที่ยญี่ปุ่นมาขอขอยืมเงินไปเที่ยญี่ปุ่นแล้ว ลูกอยากไว้เที่ยวเลยว่าอาจารย์ใช่ไหมแมั น, ม, ม, น, ม, นมันต้องมีกรอบมีมีเหตุมีผลการจะช่วยเยอะคนช่วยโดยหลักมนุษยธรรมช่วยเขามีชีวิตอยู่ต่อไปได้ช่วยได้แต่ลูกก็แบบมีอะไรอย่างเงี้ยซื้อซื้ออะไรลูกก็ให้แต่ว่าพอเนี้ยลูกตัดตัดตรงนี้ไปเลยแต่ลูกปวดนะตอนนั้นน่ะมีมีพี่เขาก็แบบ เหมือนว่าชวนชวนเด็กลูกอะ่ะชวนพี่ที่สนิทไป ก, กินแล้วก็ก็คนเนี้ยแหละเขาก็นนากยืยืมลูกแล้วก็ไม่ค่อยก็คือไม่ให้ลูกก็ไม่ได้อะไรลูกก็ยกให้ให้เขาไปเลยนะพระจารยร์ mm hmm. เออลูกก็คือเหมือนตัดไปเพื่อความแบบเพราะลูกอะ่ะเป็นคนที่ถ้าใครลูกอะ่ะไม่มีไม่ว่าแต่ถ้าสมมติว่าสัญญาว่าจะให้ ให้มาบอกถ้าไม่มีคือไม่เป็นไรลูกไม่เคยว่าอะไรเลยแต่ลูกเป็นคนแบบมีเส้นตรงกลางว่าถ้าสัจจะอ่ะคืออย่างไงอ่ะให้มาบอกแค่นั้นเองทําไม่ได้ลูกก็เลยแบบตอนแรกลูกก็รู้สึกลูกเป็นคนแบบอย่างเงี้ยอาจารย์เป็นคนไปให้สุดแล้วก็หยุดมันหันหลังเนี่ยแฟนเขาบอกอย่างงั้นนิสัยลูกอะ่ะลูกก็เลยแบบพอมาฟังพระอาจารย์ลูกก็รู้สึกว่าแบบ ไม่ได้ไม่ได้พอเขาชวนไปกินนะคะลูกก็ไปแล้วลูกก็คุยปกติเพราะว่าเขาก็เหมือนลบหลบลูกก็สงสารลูกก็คุยซื้อนู่นซื้อนี่ให้ ก, กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เหมือนเราก็พลิกมาแบบพลิกมาให้ใจเราแบบตรงการและลูกก็เลยเบอยากไปจุดนั้นอีกค่ะอาจารย์ก็ก็จําธรรมะพระอาจารย์ไปใช้เรื่อยๆค่ะอาจารย์ ค่ะอืมเ่ยอะไรละ่ะค่ะก็ใช้เหตุผลนี่ล้วกันอันไหนที่คนจะช่วยก็ช่วยไปอันไหนไม่คนจะช่วยก็ต้องก็ต้องใจแข็งไว้ค่ะค่ะพระจารย์ปฏิบั ต, บติอยู่ค่ะโอเคแล้วท่านอนุสาและคุณดิศยานาราที่ว่านกกาัสกุลค่ะพระอาจารย์ก็เป็นอะเอาของโยมนะคะอาจารย์ อากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุยเรื่องความโกรธใช่ไหมคะยงก็กลับมาคิดว่ารู้ว่าโกรธโกรธเพราะอยากใช่ไหมคะแต่ว่าโยงก็สงสัยว่าแล้วเราต้องใช้สติขนาดไหนถึงจะหยุดความอยากอันนั้นได้เขามาคิดว่าแล้วต้องถนัดขนาดไหนที่แบบดูแล้วมันมันต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะจันนั่นกับเพื่อนถ้าแล้วก็ต้องมีปัญญาเห็นโทษของความโกรธเห็นโทษของความอยากย ม, กมันมันนําไปสู่ความทุกข์ ใช่ค่ะคิว่าสติไม่สามารถดับความความโกรธได้ต้องใช้ปัญญาอย่างเดียวคื อ, อสติก็ดับได้ชั่วคราวออโกรธขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธปับมันก็อยู่ได้แต่พอหยู่พุโทโธมันก็กลับมาใหม่ได้ใช่ค่ะใช่โยมเลยคิดว่ามันต้องใช้ปัญญาแก้<ม>แล้วก็ไปดูว่ามันมันโกรธที่ความอยากของเรามันอยากเพราะอะไรไปหาความอยากตรงนั้นให้ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่แล้วก็มาดับโยมก็พอขับรถไปแล้วก็นั่งคิด ติดไฟแดงค่ะอาจารย์ติดไฟแดงปุ๊บอธิแดงว่าเราจะต้องคิดวิเคราะห์ก่อนวิเคราะห์เสร็จแล้วก็คือเอามาเอามาใช้มาสังเคราะห์มันก็เหมือนกันกนกนบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คือหาทุกข์ให้เจอแล้วก็หาทางดับให้เจออย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย์ได้หาสาเหตุของทุกข์ให้เจอว่ามันเกิดจากอะไรโยมคิดว่าอ๋อเพราะฉะนั้นโยมตะแรกโยมคิดว่าทําไมเราเป็นคนไม่ดีแบบนี้ทำไมเราต้องโกรธทําไมเราจะต้องไม่โกรธไม่ได้เหรอ โยมก็คิดว่าอ๋อถ้าดับตจที่เรายังไม่เป็นอรหรันเราคงดับความโกรธไม่ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ก็ไม่ต้องกังวลอย่างนเป็นหรือไม่เป็นมันดับยากมากเลยคะ่ะอาจารย์โยมโยมก็รู้สึกว่าโยมไม่ได้ผิดปกติไงคะอาจารย์เพราะว่าโยมโอ๋อ ย, ยังโกรธจูแต่ว่าเรารู้ว่าเราโกรธแค่ไหนแล้วก็เราจะดับมันได้เร็วแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็บางอย่างเราอาจจะเราหยุดมันได้บางอย่างก็ยังหยุดไม่ได้เพราะมันมันอาจจะมีกําลังมาก ซึ่งอาจจะต้องอาศัยกำลังของสติปัญญาของเราให้มากขึ้นในการดับนั้นได้ใช่ใช่โยมก็รู้สึกว่าอ๋อมันจะต้องเหมือนกับว่าพอเราเรื่องบางเรื่องอะค่ะอาจารย์ที่มันมันมันทําให้เราสะเทือนเยอะต้องใช้เวลาในการไต่ตรองแล้วก็ดับมันอย่างนี้ถูกไหมคะอันไหนที่เรายึดมากอันนั้นก็จะจะยากต่อการปล่อยวางอันไยึด น, น้อย ก, ก็ก็ปล่อยวางง่ายง่ายกว่าถ้าปล่อยวางง่าเราก็ยังไม่โกรธ ที่เราโกรธเพราะอะไรยังยึดเหยียบค่ะพยมไปหาไปหาต้นเหตุเจอหาอะไรเจอรู้สึกมันโล่งอาจารย์รู้สึกมันเบาขึ้นมาก็เลยรู้สึกว่าอ๋อไอความโกรธนี่มันต้องอยู่กับเราไปอีกนานถ้าเราตัดโดยที่เราสติเรารู้ว่าเรากําลังโกรธแต่เราจะดับความโกรธนั้นเราก็คือจะต้องไตรตรองมันใช่ไหมคะโอ้เห็นนัตตาจัตเตะธรรมนัตตาไม่มีอะไรที่เราจะยึดได้ไม่ ว, ว่าเป็นเราเป็นของเราหรือ มันก็จะปล่อยพอปล่อยก็มันก็จะไม่โกรธใครต่อไปค่ะยืมเอกมาคิดต่อเอ๊ะทาไมต้องโกรธตอนแรกก็คิดว่าทําไมเราเป็นแบบนี้ทำไมเราต้องโกรธอะคะต่างกันลูกสาวเราดื้อเราพูดอะไรไม่ดีทําให้เราเสียใจเอราก็อาจจะโกรธเขาขึ้นมาตอนตอนนี้วางวางได้เยอะเลยค่ะอาจารย์ตอนนี้วางได้เยอะเลยตระหนินะว่าเขาไม่ได้เป็นลูกเราก็เป็นแทนดินน้ําลมไฟท่ามรู้ท่ามเขาไม่ได้บังคับเขาไม่ได้ อาจารย์เป็นยังไม่โกรธอ๋ออาจารย์เป็นอย่างถ้าเราอยากเป็นหมอเขาเป็นลูกเราอยู่แล้วอะไรอย่างงี้ยนะมันก็เป็นโมหะวิชาคือมันมันเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันจบไปนานแล้วแต่ว่ามันมีคนมากวนให้น้ําขุนมันก็ต้องมาคิดคิดคิดคิ ด, คดอีกคะอาจารย์บางครั้งรู้สึกว่าอ๋อไอ้รักรักโลคโกรธหลงไอ้ความโกรธเนี่ยมันมีมันมีลิมิตของมันว่าโกรธโกรธแล้วก็มาเกลียดแล้วมาชัง แล้วมาแขนมันคือระดับของมันแบบนั้นใช่ไหมคะอาจารย์ก็แล้วแต่เราต้องพิจารณาเอาเองนอกจาสาธุ <S <S <S ค่ะอาจารย์หนูก็เลยอ๋อแสดงว่าเราจะต้องคิดแล้วก็มีมีสติแล้วก็ต้องใช้ปัญญาในการดับของมันถึงจะได้อืไม่ต้องท้าทาย เ, เห็นเนี่ยที่ทําให้เราโกรธเพราะเราไปยึดไปตินปในในในสิ่งนั้นในบุคคลนั้นว่าเป็นเราเป็นของเราไม่เห็นว่าก็เป็นอนัตตา แสดงว่าเป็นเดนท่างลงไปเราก็ยังไม่ได้เราจะไ ป, กไปโกรธฝนเมื่อไงเวลาฝนตกเนี่ยเวลาลมพัดทําให้บ้านพังเราไปโกรธไม่ไม่เป็นไรแต่ใครลงมาทุบบ้านเรา ท, ท, ทิ้งไปโกรธทันทีใช่ค่ะยมรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันค่ะอาจารย์ก็เลยคิดว่าอ๋อแสดงว่าสติเราแค่เรารู้ว่าเรากําลังโกรธแต่พอจะแก้ความโกรธเราต้องใช้ปัญญาอย่างเดียวค่ะสติแค่ ยั้งเอาไว้ได้ไม่ให้ไม่ให้หลุดออกไปอย่างนั้นนะคะอาจารย์ก็ให้มันสง บ, บตัวเชื่อข่าวจะได้มีเวลามาคิดทางปัญญาได้เพราะถ้ายังโกรธอยู่มันก็ยังคิดไม่ออกค่ะประมาณนั้นคือแต่ก็รู้สึกว่าเออมันมันทําให้เราแทนที่ว่าเราจะคิดวกวนบางทีเป็นถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้คิดอยู่นานแต่ตอนนี้คื อ, อยังดีก็แค่วันหนึ่งหรือว่าวันกว่ากว่าก็ได้ะคะ่ะอาจารย์ มันก็รู้สึกว่าเรา น, อน้องใช้เวลาเป็นคนเป็นวันเลยนะบางเรื่องค่ะจารย์รางเรื่องค่ะบางเรื่องบางวนเขาดาลล่าเรามื่ตอนเช้าตอนเย็นยังนั่งยั ง, ย ง, งนั่งโกรธเขาอยู่นเลยคือแต่ว่าถ้าเป็นแบบนั้นจะไม่เท่าไหร่ค่ะจารย์แต่บางเรื่องที่มันจบไปแล้วแต่ว่าเขามาพูดกวนอย่างเงี้ยค่ะมันก็รู้สึกเอ๊ะทําไมก็พยายามหาอ๋อเราเราไปเปลีป่ยนเขาไม่ได้ประมาณนั้นนะคะจันเราก็เลยเบาลงค่ะวันนี้นี่ก็ดีแล้วค่ะจารัน อต่อไปมันต้องเร็วกว่า น, นั้นนค่ะจะพยายามให้มากขึ้นค่ะอาจารย์แต่มันก็คือขึ้นอยู่กับเรื่องบางเรื่องแต่โยมก็รู้แล้วอ๋อตอนแรกคิดว่าคิดโทษตัวเองว่าทําไมเราเป็นคนไม่ดีทําไมเราเป็นคนแบบนี้ทําไมเราต้องมายึดมั่นถือมั่นแต่ว่าอ๋อเรามีสติอย่างเดียวก็ไม่ได้เราต้องใช้ปัญญาช่วยอยู่ดีค่ะอาจารย์อเราเห็นตายรักเนะี่ยถล่มแล้วต้องลงไปที่ตายรักทั้งหมดปัญญาใช่ค่ะอาจารย์ค่ะโยมโยมโย ม, ย ม, ยม แค่นี้ค่ะยมสบายใจแล้วค่ะอาจารย์อ <Okay. S 1> ขอบพระคุณนะคะอาจารย์เดซียามีอะไรไหมน้ามาสักการค่ะพระอาจารย์พระถ้าหนูใส่แมสพระอาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินได้อ๋อค่ะพระอาจารย์คือึเนื่งองจากคําถามขึ้นม่ค่ะคือว่าถ้าสมมติช่วงตอนที่หนูไปไปวัดแบบติดแบบปฏิบัติติด ต, ต่อเนื่องเต็มร้อยค่ะหรือไม่ก็ตอนที่พที่ลองนั่งเฉยๆอะค่ะ ถ้าสมมติพอรู้พอรู้ตัวว่ามันเกิดมันทุกข์อค่ะมันก็หยุดได้เลยค่ะอันนี้คือเรามีสติค่อยคอยคุมไว้ไงพอรู้ปุ๊บมันก็หยุดปุ๊บ ม, มีสติปัญญาเหมือนกับเรามีน้ําดับไฟอยู่ข้างๆมือเราเราไฟลุกปับ๊บแล้ก็ฉีดมันได้เลยฉีดไฟดับมือถ้ามีสติมีปัญญานี่หมายความว่ามันคือเบรกที่ได้ สมรรถนะเต็มร้อยหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นมันใช่หรือเปล่าค่ะพระอาจารย์ไม่รู้ร้อยเต็มหรืไม่ดูไปเรื่อยๆดับตัวหนึ่งแล้วมันไม่ใช่มันจะดับหมดทุกตัวอตัวที่ไม่ดับมันก็โผลมาได้ช่ต้องคอยดูไปเรื่อยอย่างประมาณใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะกับเรื่องบางทีพอเรื่องใหม่มาก็ใช้รู้เท่าเดิมมันก็ไม่อยู่ค่ะอืก่ต้องใช้ปัญญาเพ่งเวไปตามกับเรื่องที่มันมาออ ได้ค่ะพระอาจารย์แล้วก็ขอถามพระอาจารย์เรื่องเกี่ยวกับเรื่องศพนะคะพระอาจารย์คือหนูเห็นศพได้ที่เคยบอกว่าเคยไปฝึกงานหรือเคยไปทํางานเกี่ยวกับศพใช่ไหมคะแต่ว่าหนูก็ยังไม่มั่นใจเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นค่ะกลัวว่าเพราะว่าปกติที่เจอกับศพหนูจะทํางานกับแค่เลือดแบบถ้าไปอยู่ใกล้เขาค่ะจะได้แค่กลิ่นเลือดเลือดนิดหน่อยหรือได้กลิ่นปัสสาวะนิดเดียว หนูไม่เคยไปอยู่ใกล้ศพขึ้นอื่นเต็มๆอะค่ะแบบหนูจะอยู่ห่างเขาเราซ้อมก่อนได้ในห้องซ้วมนี่เหมื็นๆอยู่อ๋อมันก็เหมือนกันนะห้องซ้วมกลิ่นมันมันก็เหมือนก็มาจากคนใช่ไหมคะของในห้องซ้วมมันก็มาจากคนเป็นอืมค่ะกวรรับมือไม่ได้ค่ะแล้วก็ไม่รู้จะจะต้องพิจารณายังไงต่อค่ะเรื่องเกี่ยวกับศพก็พิจารณาไปเหมือนมันเหมือนเหมือนอุจจาระนั่นะสมมันก็เป็นอุจจาระก้อนใหญ่ อาจารย์คะแต่ว่าหนูได้กลิ่นอุจจาระอะไรแป๊บเดียวหรือถ้ากลิ่นที่ไม่ใช่ของเราค่ะอาเจียนเลยค่ะพระอาจารย์หนูว่าหนูเผชไม่ได้หนูหนูก็ตอนที่ไปฝึกงานนะคะหนูใช้น้ํามันน้ํามันที่มันแบบแกดมยาโดมาค่ะใส่แมสแล้วก็แบบไม่ใช่ได้กลิ่นอะไรหนูกลัวเป็นลมต่อหน้าเขาเดี๋ยวสร้างตํานานกลัวค่ะอาจารย์เลยไม่แน่ใจต้องฝึกเบสท้ายบ้างว่าเนี่ย ปัญญาในระดับเนื่องข้อศม์นี่มันต้องมีอุเบกขามันถึงจะสามารถที่จะาาพะิจารณาได้เพราะกิเลสเรามันต้านอไอ้ตัวนี้มากต้านบางคนไปดูผ่าสพก็มันเป็นลมนึก็มีค่ะอือก็ก<อ>ลมอารมไม่อยู่อารมณ์กิเลสที่ต่อต้าน ต้องฝึกสมาธิบ่อยๆให้มีอุเบกขามากๆเราต้องมีความมั่นใจ ว, ว่าเรามีอุเบกขาพอที่จะไปพิจารณาสิ่งเหล่านี้ได้ถ้ายังไม่มีพิจารณาไปมันก็ไม่กล้าพิจารณาถ้าผลบมงค่ามันนี่มันก็มีปฏิกิริยาที่ไม่ไม่เคิปมบาตรณาให้เกิดขึ้นเนี่ยข้างทางการนีใ้ใทางปัญญาได้มันต้องมีสมาธิเป็นผู้สนฐานสนุนก่อน ชอบถามแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราไปทางปัญญาได้ไหรือไม่ต้ลองไปสิเราพิจารณาปัญญาไม่มีหลาระดับระดับง่ายก็มีระดับยากก็มีใช่ไหมระดับง่ายก็ไปได้แล้ว ร, ร, ระดับยากขึ้นี้ไปได้หรือเปล่าอาจารย์เดี๋ยวลองลองซ้อมดูก่อนค่ะมไม่ไม่ไม่มั่นใจค่ะเดี๋ยวต้องพอเวลาเรามั่นใจแล้วเดี๋ยวค่อยไปพิสูจน์อีกทีก็ได้ค่ะอาจารย์ ได้ไม่ต้องรีบร้อนถ้ายังไม่พร้อมอย่าพึ้นไปไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร <c oughs> ได้ค่ะพระอาจารย์แล้วก็ส่วนถ้าส่วนเรื่องการรับมือกับความเจ็บกับความตายนะคะเคือหนูเคยหนูเคยนั่งนั่งสมาธิแล้วมันมันปวดมากๆแต่ใช้วิธีไม่ดูพุทโธอะคะ่ะคือมองมองไปเลยมองแล้วก็ทําเฉยเฉยรับรู้แล้วมัน ความปวดมันมันหายไปเลยค่ะโล่งเหมือนตอนเข้าสมาธิเลยค่ะพระอาจารย์แต่ว่าอาหนูก็พยายามพิสูจน์ว่าเรารับมือมันได้จริงหรือเปล่าในหลายๆปีที่ผ่านมาก็คือทั้งการฉีดยาหรือนู่นนี่คือรับมือได้หมดแต่หนูก็ยังไม่มั่นใจค่ะพระอาจารย์ว่าก่อนตายหนูจะรับมือมันได้จริงจริงไหมค่ะอย่างามีอยู่ครั้งหนึ่งที่หนูเคยถูกลอบล้อมยิงอะคะ่ะพระอาจารย์มีปืนอยู่เป็นสิบกระบอกเลยค่ะจ่อที่หัวหนูเอาไว้ หนูก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเข้าสมาธิใจนึงมันบอกว่าเคยเข้าสมาธิเลยมั น, ม, นมันหามันไม่เจ็บชัวไม่เจ็บชัวแต่หนูก็อยากจะอยากจะสู้อยากจะรู้ก่อนว่าตนโดนโ ด, ดนกระสุนเข้าหัวเนี่ยมันเป็นยังไงแต่เขาก็ยังแบบใจมันไม่ได้เต้นมากนะคะแต่ก็ยังมีต้านอยู่ะคะ่ะพระอาจารย์หนูก็เลยเอาครึ่งทางแล้วกันคือมองฟ้าไปแล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้าะคะ่ะแต่ไม่พูดโทนะคะนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วรอให้ มันยิงมาแต่ว่าตอนนั้นไม่เขาไม่ยิงค่ะพอดีรอดมาค่ะพระอาจารย์เลยอยากรู้ว่าถ้าสมมุติว่าเกิดเหตุการณ์ความที่เราจะต้องใกล้าตายแบบนั้นคือต้องนึกควรจะพูดทอลหรือควรจะก็นั่งนั่งให้มันเจ็บไปคเคยนั่งเล่นห่ยหงเดียวแล้วพอมันล็อกตดไเรื่อยๆจนควรจะมั่นใจต้องต้องต้องชอบต้องชอบชอบความเจ็บถึงจะเลิกได้ ก็ยังกลัวความเจ็บเลยก็จะทายทว่าอย่างยังเจ็บแล้วยังไม่ยอมรับต้องบังคับมัให้นำรับต้องฝึกจนกระทั่งมันไม่กลัวมันไม่มันมันชอบจากการไม่ชอบเปลี่การเป็นชอบอะไรย่าคนกินกินของเผ็ดเนี่ยตอนต้นกินไม่ได้ก็ต้องบังคับกินไปบ่อยๆกินไปยังไงมันจะชอบเผ็ดให้นมาต่อไปมันเจอเผ็ดมันก็จะไม่ริบมันก็จะไม่เหลือดร้อนใช่ค่ะจนกว่าเราจะมั่นใจนั่นแหละใช่ไหมคะใช่อ ปัญ า, ามันเจ็บจะไม่ต้องไปหาความเจ็บที่ไหนหรอกในถ้าบางช่วนได้เกิดเป็นไข้ให้มันไข้หวัดใหญ่เป็นมันกันเป็นยังไงหรือปวดท้องอะไรท้องเสีย ม, มัน ก, ก็ก็สามารถใช้ความเจ็บนั้นมาพิสูจน์ได้ว่าใจเราเนี่ยก็ไม่นิ่งค่ะ<ม><ม>ได้ค่ะพอาจารย์แสดงว่าต้องซ้อมเรื่อยๆต้ อ, อรซ้อมเพราะเราตอนนี้มันไม่พ้นอ่ะ เมื่อนี้ไม่พ้นเราก็ต้องสอนใจเราให้ให้ยอมรับมันให้ได้เพราะถ้าเรารับมันได้ถ้าเราชอบมันแล้วมันจะไม่ทุกข์ใช่ไหมเวลาเราชอบอะไรเราได้ของที่เราชอบเราทุกข์ไหมไม่ค่ะใหั่นแหละต้องทําให้ใจเราชอบมันให้ได้แต่ยังแต่ยังไม่อยากนั่งเจอมันอยู่ก็แสดงว่ายังไม่ชอบมันงั้นต่อไปนี้นั่งให้มันเจอมันทุกครั้งเลยเวลาจะนั่ง น้ำรับความเจ็บทุกครั้งไปตางตามมันจะเป็นเรื่องชินไปกับมันไม่เดืนอดร้อนเพราจากวิธีทําใจให้นิ่งให้อยู่กับมันได้อันนี้ไม่ต้องเข้าสมาธินะใช้สติใช้ปัญญาดังน mm ั hmm. ้นความอยากความไม่ชอบเสือความอยากให้มันหายไป ตัวนี้เราเป็นตัวที่ทางความทุกข์ทรมานใจไม่ใช่ตัวความเจ็บความเจ็บมันไม่ได้ดไรุนแรงเหมือนกับความความอยากให้ความเจ็บหายไปในความทุกข์ในใจค่ะเนี๋ถ้ากลับไปฝึกเครื่อมแล้วเดี๋ยวจะกลับมาถามอีกครั้งค่ะว okay. ่าอ า, าจารย์โอเคเย้ขอบคุณค่ะมาสักการ์ดค่ะว่าอาจารยนะ์คุณยงหญิงนั่น กลับธรมชาการพระอาจารย์เจ้าค่ะอ่ะโยมก็ปฏิบัติอยู่ทุกวันเจ้าค่ะพระอาจารย์มันมีอยู่วันหนึ่งหลังจากโยมนั่งสมาธิออกมาโยมไม่รู้มันเป็นความคิดหรือว่ามันมันคืออะไรคืออยู่ยดีๆโยมก็รู้รู้ ร, ร, ร, ร, รู้รู้สึกว่าถึงถึ ง, ถ, ง, ถ, ง, ถ, งถึงคำํคำคําว่าโรคโรคโรคที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บอ่ะพระอาจารย์คือคือเราต้องทานยาถึ ง, ถ, งถึงหายใช่ไหมคะแล้วอยู่ดีเราก็มาเล่าถึงว่าโรคที่เราอยู่ปัจจุบันนะคะ พอเรามีธรรมะของพระพุทธเจ้าอ่ะธรรมะพระพุทธเจ้าก็เปรียบเสมือนยาถ้าเราทานธรรมะคือเราคือเราทานทานทานยาซึ่งเป็นเปรียบเปรียบธรรมะเปรียบเสมือนยาคพระอาจารย์ถ้าเราทานจนจนบัรหายก็ก็คือเราก็จะหายจากโลคพระอาจารย์คือสุดท้ายก็คือนิพพานก็คือการหายจากโลกนี้ไปเลยค่ะพระอาจารย์โยม ก, ก็ออกโรคกับโลกมัเหมือนกันเลยพระอาจารย์ แล้วยายารักษาก็รักษาเหมือนกันยาก็คือรักษาให้เราหายจากโรคใครใครเจ็บก็คือหายแต่ถ้าเกิดเป็นโรคที่เราอยู่ปัจจุบันนะคะคือต้องใช้ธรรมะในการรักษาถ้าเราเข้าเข้าถึงแล้วเรารักษาถูกถ้าว่าเรารักษาจนมันหายเราก็จะหายจากโรคนี้ไปเลยพระเจ้าคือคือนิพพานเจ้าค่ะมันเป็ น, ปนมันคือสมองที่เราคิดเองมาพระเจาา้าไม่ใช่สมองนะมันก็เป็นวิญญาณเป็นสังขารต่างเชต่อมโยงใส่ อืมเจ้าค่ะค่ะโยมก็ปฏิบัติอยู่พระอาจารย์ดูดิมก็คือออกโอเคมันก็คนก็เข้าใจเนาะโรคกับโรคมันก็คือกันเนี่ค่ะมันก็จะมีมีตัวรักษาเหมือนกันแล้วก็คือหายเหมือนกันพระอาจารย์ค่ะโยมปฏิบัติอยู่ค่ะพระอาจารย์ค่ะค่ะคุกข้าพระอาจารย์อาจารยทรงได้ร้ายเป็นตัวเนี่ยสวยงามนะ กลับน้สการพระอาจารย์ค่ะครับน้อสการ์พระอาจารย์ครับเป็นยังไงสบายดีสบายดีครับดีแกมอยู่สภาพแก่ไปหน่อยอยู่นานครับสุขภาพจะจะไม่เหมือนเดิมแต่ว่าดีฮะมนครับอายุมันมากนะ ไม่ว่าไปทางทางตรงมากครับใช่ใใครับย่าพยายามอย่าพยายามให้มันดีแบบนี้หมายให้ันดีแค่ไหนต้องรับสภาพไปตามที่เป็นนะคะตัวยังทําอะไรได้ได้อยู่เยอะอยู่แต่ไม่เหมือนเดิมเท่านั้นเองค่ะก็ยังมีสุขภาพจิต ด, ดีกันอยู่ค่ะ สภาพกายก็ใช้ได้กันดีค่ะหลัาจากก็ท่าแขนแข็งแรงดีนะคะแรงอะไรไปสัตเป็นได้บก็หาหมอน้อยลงยืดเวลาหมอก็ปัดปัดเอ่อไปรษณีย์ครั้งน้อยลงค่ะก็แสดงว่าการดีสิ่งนะครับผมหมอ คนหนึ่งก็ถอนตัวไปแล้วค่ะอีกสงสมสัปดาห์คงได้ไปกราบพระอาจารย์อีกค่ะโอเควันนี้ไม่มีส้อะชานะกราบอาจาย์สบายใจค่ะขอบคุณค่ะตัวค่ะเมารวิการณ์เาที่ว่ากราบนรมาสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ ก็ปฏิบัติอยู่นะคะอาจารย์วันนี้ไม่มีคําถามนะคะเดี๋ยวคนไหนมาพักใจเย็นหน่อยหนึ่งวันนี้ไม่มีคําถามนะคะอาจารย์่ก็ปฏิบัติอยู่นะคะอาจารย์ก็สาธุแบบไม่ไปที่คนแนงอุดรธานี้ตามมาสักการ์ค่ะพอาจารย์ไม่มีคําถามเจ้าค่ะคุณหออาจารย์ อยากพอจำลองค่ะคล้วประสบการณ์กับพระอาจารย์ก็ตอบขอบคุณพระอาจารย์อีกรอบอด้วยค่ะเพราะว่าฟังเทศพระอาจารย์เสาอาทิตย์อังคารมันรู้สึกแบบไม่เหมือนเดินตามแล้วก็เข้าใจตรงนี้เข้าใจมากเขาแบบมันเหมือนกับเข้าใจอ ย, อยู่ในใจเลยพระอาจารย์มันสว่างแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออที่พระอาจารย์เทศสั่งสองตงนตั้ น, นแต่แรกเรื่องเรื่องให้ไม่อยากแล้วก็ที่พระอาจารย์นิพนธบอกว่าให้ฝืนความอยากพระอาจารย์บุตมีบอกว่าให้เรื่องยางเหนียวอ่ะมัน คำ น, นั้นมันโง่มากเลยฟังแล้วบอกว่าอะไรพระก็รู้เรื่องว่าอะไรตอนนี้เข้าใจแล้วค่ะพระอาจารย์แล้วก็แล้ว ก, วก็ปฏิบัติตามที่พระอาจารย์บอกอาทิตย์ที่แล้วที่พระอาจารย์บอกว่าเอ้ยถ้าทําเหมือนเดิมมันก็ไม่จะ ก, ก้าวหน้าแล้วก็ฝากบอกพี่หนุ่มว่าต้องทุกวันพระให้ให้สติทั้งวันใช่ไหมก็เลยบอกพี่หนุ่มว่าเอยอย่างงี้ทุกวันพระนะเดี๋ยวไปไปอ่ะทําด้วยกันเลยสติทั้งวันเหมือนกันก็วันอังคารไปที่วัดพระอาจารย์ใช่ไหมคะก็ไปนั่งอะ่ะพระอาจารย์ก็เลยรู้สึกคือนั่ง คือปกติเนี่ยเวลานั่งสมาธิจะนั่งคนเดียวมันก็จะสงบอะไรลรึกอๆ อ, อยู่แล้วแต่ว่าเขาเขาที่ไปาาาวันอังคารน่ยพระอาจารย์พอฝึกสติทั้งวันเนี่ยนั่งตรงริมน้ำอ่ะพระอาจารย์ลมพดัดเยนรูนนั่งปุ๊บรู้ไปเลยตกอกบเฮ้ยแต่ก็ไม่ได้ตกใจนะเพราะเออเฮ้ยแบบมันนั่งปุ๊บมันมันปกติมันจะมันจะสงบไปเรื่อยๆอยันี้มันลงดิ่งแบบมันเลยรู้สึกว่าเออคือพอเราทําทําอ่ะมันก็มันก็เห็นนะคะพระอาจารย์ ก็เลยขอขอบคุณค่ะดีบางทีเจ็บนสิ่งหนึ่งแต่ที่ทำไม่ได้ค่าใช่ใช่เราขาดไม่ไ้ขาใช่คือแบบงงมากเลยเอ้ปกติมันจะต้องมามันนั่งคนเดียวนี่แบบเอ้ยก็กลางวงเอะรแบบคือก็เลยขอบขอบคุณพระอาจารย์มากๆแต่ก็เลยก็เลยจะเพิ่มจากที่ในสัญชิพทุกคนพูดใช่ไหมคะก็เลยจะเพิ่มทุกวันพระก็จะได้แบบทีตยละสองวันบางที่พระอาจารย์บอกให้ทําเพิ่มขึ้นพี่หนุ่มทำเพิ่มขึ้นด้วยเองก็เพิ่มขึ้นด้วยก็จะตติทั้งวันแล้วก็นั่งแล้วกกกก็็ไไปฟังจะพยาาามม้ด ทำมากไปเลยมาขอขอบคุณพ่อจ้ะยังมีวันอยู่หลายวันที่จะต้องเพิ่มตอนนี้ต้องเจ็ดวันเจ็เชือกนุ่ก็จะหาวัดไปแล้วค่ะเพระบอกคุณพ่อแล้วว่าเนี่ยคุณพ่อดีขึ้นค่ะหายแล้วเดี๋ยวจะไปวัดแล้วค่ะคือ่าไม่ได้ไปวัดเลยเพราะว่าเพราะว่าคืออยากให้บบคุณพ่อบอกสเตเบิลคือเข้าใจนะก็ปล่อยวานนะ ว, ว่าแต่ไหนว่าหน้าที่ลูกมันก็ต้องแบบดูแลเพราะเราเราเป็นคนโตที่เราจะดูแลได้มากที่สุดเลค่ะตอนนี้คุณพ่อก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะก็จะไปวันแล้วกันไปกับพี่นุ่ม รอล้างท่วมหายก่อนนะว่าถ้ามันท่วมหรือไปรอลอยน้ำอ <c oughs> ขอบคุณค่ะอาจารย์มยไม่มีคำถามค่ะถ้าอาจารย์เข้าระกาบค่ะเหมือนเดิมค่ะเดวิดฝากกราบเหมือนเดิมคับถ้าอาจารย์บอลซองเตะค่ะอคขอบคุณมากนะขอบคขอบคุณมากค่ะท่านอาจารย์ขอบคุณท่ า, านอ า, นาจารย์อย่าสูงค่ะท่าอาจารย์ที่สอนจังค่ะ างาสายเที่นแกงกับนวันสกรรพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ฮิส์สารคามค่ะมีสอนช่วงเย็นค่ะพระอาจารย์ก็ลเลยกลับไม่ทั น, นค่ะเจ้าหมือนกในห้องยูยูก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเลอ๋อข้างหลังมัมๆวันนี้ อยู่สารคามค่ะพรุ่งนี้ถึงจะกลับกับพระอาจารย์สลับเวณกับพี่สาวค่ะ <c oughs> ค่ะพระอาจารย์ค้ะหนูมีมีสิ่งที่ยังปฏิบัติแล้วไม่ไม่พ้น <c oughs> ไม่ข้ามคือเวลาที่เราเหมือนแบบทำงานแล้วมีมีอาจจะมีปัญหาอะไรกับกับคนอื่นค่ะแล้วล้วก็มีเพื่อนที่เราสนิทล้วก็จะเอาเรื่องนี้ไปเล่า แต่พอเล่าเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือนเป็นการนินทาไม่น่าหรือเหมือนว่าคนอื่นไม่น่มันเหมือนระบายแล้วก็ทางโลกก็คือถ้ามีอะไรก็ระบายกับเพื่อนแต่ถ้าทางธรรมเราก็รู้สึกว่ามันไม่น่าเอาไปพูดเงนี้ค่ะพระอาจารย์เราควรจะทํำยังไงดีคะอ๋อแล้วอย่งเช่นว่าเราจะยังจีอยู่งถางไปแล้วติดเราแต่ไม่อยู่ต้องพูดไหมอืมให้มันจบเราก็ไม่ต้องเอาไปพูดต่อสร้างหัวมันนอกจากว่ามันเป็นเรื่อง นม่มีเหงื่อทุ่งจำเปนที่ต้องปรึกษาใครจะปรึกษาได้แต่พูดโดนเชิญเป็นวิชาการไม่ใช่เป็นเชิงมีผลเพื่ปไปว่าเคาเป็นผาตาดหรือืมก็คือปรึกษาเพื่อหาทางแก้ไขก็คือพูดได้แต่พูดไม่แ<ต>มค่ปรึกษาแค่ระบายไม่ควรพูดระบาย ด, ด, ด้วยการกำลังเสพทําใจให้ว่างดีกว่ ค่ะบางทีหนูก็บางทีก็บอกว่าเห็นสภาวัรรมแต่บางทีจิตเราไม่ไม่แข็งพอก็ก็ไหลค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวหนูจะพยายามแก้ไขตรงนี้ค่ะยังรู้ส<ต>ึก<ต>ว่าสติสตเรายังน้อยสติเราไม่ดำไม่ดอืมสติอ่อนด้วยมันก็เลยหลุดไปง่ายใช่ไหมคะพระอาจารย์เดี๋ดึงสมาดึงสติปัญญามาไม่ทันมันได้เสร็จเนไม่เสร็จแน่ดิในเรื่องที่ผที่ผ่านไปแล้ว ค่ะคม่จะตีนจะอยูปัจุบันนี้มันจะเลดีมยังอืมอืค่ะเหมือนเราเก็บเรื่องในอดีตมามาตั้งอะไรต่อไปคิดต่อด้าตัดปเอยหยุดเอาเผาหัวใจเราอืมอืมค่ะหนูและหนูจะพยายามอยู่กับปัจจุบันขาพระอาจารย์แต่ก็รู้สึกว่าไม่ไม่ตีอยู่ค่ะ แต่ก็อดเหมือนแบบติดแบบว่าเอ้ยเจอเพื่อนเอาระบายหน่อยอะไรเงี้ยค่ะระบายไปรู้สึกผิดไปค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวหนูจะจะพยายามแก้ไขตรงนี้ไม่เอาเรื่องที่ไม่น่าพูดมาพูดแต่ถ้าเป็นเรื่องของปรึกษาเพื่อหาทางแก้ไขถ้ามันจะเกิดปัญหาค่อยเอามาพูดค่ะ<ม>ส่วนเรื่องอื่นๆก็ก็ยังไม่มีคำถามอะไรค่ะพระอาจารย์ค่ะ<ม><ม> งนไปทารสอไปนะค่ะอบคุณาายพอาจารย์ลูกงบอหน้าไปเป็นเียต้เการรวัตการเจ้าขา่าวพระอาจารย์ยังปฏิบัติอยู่เจ้าขา่าพระอาจารย์นจะปีโอน่าจะเกือบปีเจ้าค<า>่ะวค่ะเพราะว่าลูกก็ยังติดตามคำสอนพระอาจารย์ ทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ะพรอาจารย์แล้วก็ปฏิบัติอยู่เจ้าค่ะแล้วก็วันนี้ก็คือตั้งใจจะมากราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่เป็นผู้ทําให้ลูกมีแรงบันดาลใจในการลาออกจากงานเจ้าค่ะภรอาจารย์เห็นนะวันนี้มีมีเวลาปฏิบัติมากขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นเจ้าค่ะพรอาจารย์ค่ะแล้วก็จะขอปัญญากลับขอความเมตตาพระอาจารย์พอดีลูก มีการพิจารณาตามที่น้องที่เขาพูดเนะี่เจ้าขาพระอาจารย์ที่เป็นชรลาแล้วก็การป่วยการตายใช่ไหมเจ้าขาพระอาจารย์ที่ต้องพิจารณาทุกวันทีนี้ลูกมีเวลาที่ลูกคิดลูกจะมีการคิดเกี่ยวเนื่องกับทาสี่ขันห้าเจ้าขาพระอาจารย์อย่างเช่นถ้าชรลาลูกก็มองว่าเป็นการเสื่อมของท่าสี่แล้วก็ในส่วนของ การเจ็บไข้ได้ป่วยก็คือเป็นการไม่สมดุลของธาตุสี่ส่วนการตายอ่ะเจ้าขาพระอาจารย์ก็ยังยังใช้อันเดิมที่เคยกับปุตรษาพระอาจารย์ก็คือ disconnect เจ้าขาพระอาจารย์ที่ตัวตัวรู้มันมันขาดการ connect กับกับธาตุสี่ขันธ์ห้าเจ้าขาพระอาจารย์จะขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยขยายความ เรื่องเกี่ยวกับการตายแล้วก็ธาสี่ัดธ้าให้เพิ่มพูนปัญญาเพิ่มขึ้นได้ไหมจ้าคะบ้านค่ะแล้วธาสี่ที่มาลงตัวในร่างกายก็แยกก่อนค่ะค่ะร่างกายเลวถาเนวัถเฉื่อยลงธาตุมันก็จะแยกก่อนจากจักรเวรไปธานลงไปก่อนชาม่้วาตไตามด้วยธานน้ำกเช่นเียวกันจากธาเุดินนี่ร่างกายจะมีดึนไ การเปิดเผยเอาไว้เลยว่าต่างๆมันได้ให้คอบได้แบบนี้ได้แบมน้คนเจ็ดผู้รู้ก็ถ้ายังมีปัญหาความอยากก็ไปหาทางตายั่อนจะมีทางตร่างกายใหม่ก็ไปรับผลบริโภคก่อถ้าไม่น่ยก็ไปทตายเหมือนนอนหลับตายก็คืนอนหลับ เาเนอนหนับเราก็ไม่รับรู้เรื่องร่างกายนะร่างกาก็อยู่ในโลกของความฝันันดี ก, นนนนดก็เป็นเรื่องขบูรณ์ันร้ายก็เป็นเรื่องสูรณ์าพอตืนขึ้นมาทีก็ได้ร่างกายมาบรยากาศแม่แรงก็่นขึ้นมาก็เป็นการนอนหนลับนะกาหลับเพื่อเปลี่ยนร่างกายร่างกายกลัมาหมดสภาพแล้วแล้วก็ กลรับงยมมือบาไปการฟัดีฟันได้ไปก่อนมหมดฟัแล้วกเตือนานได้รับใจใหม่แต่พ่อแม่คืนไม่อดอมาเพรอดอมาแล้วก็รูนาตางก็เตือนเช่นเดียวกันแล้วถับค่ะแล้วถ้าผู้ที่ไม่มีกิเลกก็คือจะไม่กลับไปไ ม, ไม่หาร่างใจไม่มีร่างใจ อยู่ที่ไทยอยู่กับความสงบความสงบที่เกิดจากความสงบไม่ก็ไม่ฝันไม่ไม่ฝันไล่ฝันเดียไม่ฝันไม่อกไม่ฝันเท่านอยู่กับมารมังเส็จคั้งารมันเยาม่ใารอยี่วับความว่างียู่ับความคาม เจ้าขาข้าจ้ะค่ะก็ลูกลูกก็ใช้วิธีพิจารณาในระดับหนึ่งแล้วก็ถ้าพิจารณาต่อไม่ได้ก็มาทำความสติต่อเพื่อให้มันมีความสงบแล้วก็ค่อยไปพิจารณาอย่างเงี้ยเจ้าขว้าขว้าจ้ะใช่ถ้าจะไปนิพพายก็ต้องล่าังโยชิ์เจ็บชงนาไม่ได้ค่ะก็ตัวแรกที่เป็นเกี่ยวกับความเจ็บกับความตายใช่ไหมเจ้าขว้าะ ก็ลูกลูกมาพยายามพิจารณาตรงนี้เพราะว่าอยากจะยอมรับความเจ็บกับความตายให้ได้จริงๆนะเจ้าขาพยาจารย์ค่ะมันต้องเห็นใจเยอะสักทีที่ชกที่ไปชกกับหน้าชกสองหน้ า, ต, ต, นาตายเพื่อาะว่าเราไปเชื่อว่าเป็นโชยเราผ่านมาเราก็เลยอยากให้มันไม่ไม่แฉะไม่เจ็บไม่ตายกี่ยวกับรฆ่าความไม่ความอยากไม่แฉะไม่เจ็บไม่ตาย ก็ทาให้ใจรอทุกข์ขึ้นแต่พอไปเราด้วยมากคไปยาวว่าร่างกายมันเป็นเ ป, ไป็นใจยกเป็นนั่งใจต้งการนั่งใจเราก็หยุดทำยาเพราะเราไปห้ามมันไม่ได้เขาอยากเขาจะทำยาได้ทุกสัดส่วนใจก็เห็นเห็นทุกสมิธานีน้ก่อนนะเห็นเนรียกใส่กิมีน้องตายเห็นทำเห็นว่าทุ ก, กสัดส่วนทอยา คนงานคนงานชอบคนงานก็จะ็นงาห็นรานคนงานเขทจะเห็นสถานที่ได้ันทาได้ถ้าพูดปฏิบัติี่ปฏิบัติชอบก็คือพระโสดามานีถ้าพูดปฏิบัติก็จะไม่สงสัยในถ้าพูดถ้าทำเพราะถว่ามีจริงหรือไม่อยู่ที่ไหนันมารวนกนที่ใจของผู้ปฏิบัติถ้าพูดถ้าทำ็ เรื่อการาแล้วก็จะไม่รูปทำเรื่องสีมีต่อไปพอเห็นชัดว่าทำบาปแล้วใต้แล้วไปรล้วผลออกมาบายบ่ายจะปิดประตวบายได้เขาจะไม่ทำบาปไปอีกแล้วสามโยสามตัวนง่ายจะเป็นท้าโสนาบ้าง เจคาะ่าวาัน์ก็พยายามเน้นตรงนี้อยู่เจ้าข่าวาั น, อนาา์อ่ะสัญญ า, าพิจารณาไปล้ปาาันหน้ายงไปในทางหัาสัญญาที่เนไปแล้วมันมีต่างที่เึงถ้าพยายามให้เขาเป็ น, ย น, ย น, จจนอย่างนั้นเปนอย่านี้ยกมุกขาถงมันไม่เกอย่างเราต้องละเอียดถึงขันห้าทุกครั้งไหมคะหรือว่าเรามองเป็น พิจารณาความตายอย่างเงี้ยเรามองว่าเราเป็นอินวิสิเบิลแมนที่เราดิสคอนเนกกับกับท่าสี่ขันห้าแล้วก็เป็นเรื่องทําเห็นเป็นเรื่องธรรมดาว่ามันไม่ใช่การการตายที่ทุกคนกลัวแต่มันคือการขาดการเชื่อมกันอย่างเงี้ยจ้าค่ะอะไหนมันทําให้เราตกเราต้องพิจารณาตอนนั้นห่อนค่ะความตายมันทำให้เราตกเราต้องพิจารณาทุกข์ทรมารที่พ่อแม่เสียชีวิตค่ะเพราะว่าหน้าใจมันอ่ในเราของเรา ถ้าเาห้ามันไม่ได้ห้าร่างกายไม่ได้ตายได้ไไดนนไไดก็ต้องไปยอมให้มันตายไปยอมตายที่อาหารที่มันก็ปล่อยวางร่างกายได้แต่ยังไม่ได้ปล่อยยังไม่ชะนาไม่ชะนาต้องรอให้มันเจ็บก่อนก็เท่าที่สังเกตดูก็คือความตายพอมีความเข้าใจบ้างแต่ตัวปัญหาของลูกตอนนี้คือเวทนาเจ้าค่ะหลวงพรอาจารย์จะให้มันเจ็บยู่เลย ย่ให้เจ็บก็อย่าไปขยับร่างกายปอให้มันเียบแล้วก็พิจารณาด้วยปัญญาว่าการเจ็บนีก็เป็นนิจารไมที่ทำลแรหน้นนนาตาควบคุมมัน ไ, มได้ไดกถ้าไปอยากให้มันหายเจ็บแล้วก็จะทุกข์ขถ้าไปอยากจะรูป ก, ก็จมีระยเวลาให้มนหายเจ็บปล่อยมเจ็บไปซึ่งทำใมั น, ห, มนมหาเองเอค่ะอาจารย์ เข้าใจเจ้า <demais> ค <noise> ่ะพระอาจารย์ก็เดี๋ยวลูกไปป่าพิจทลานาต่อค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ยังปฏิบัติยังปฏิบัติอยู่ที่บ้านอยู่เลยเอ่อยังปฏิบัติอยู่ที่บ้านเพราะว่ายังต้องเป็นแจ๋วเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ยังรับน้อมรับที่พระอาจารย์คำสั่งพระอาจารย์ให้เป็นแจ๋วอยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็คือทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่ต้องซัพพอร์ตพ่อแม่ลูกให้เป็นไพรออริที้เจ้าค่ะ พ่อจ๋าเห็นบอกว่าจะลองมาอยู่ที่วัดในไม่ l ล n g หรือเปล่าเอ่อไม่ได้ลองเจ้าค่ะเพราะว่าตอนนี้คือคือต้องอยู่ที่บ้านเป็นหลักแล้วไปวัดเป็น ป, ประมาณไปวัดประมาณเดือนละครั้งเจ้าค่ะหลวงพ่อจ๋าค่ะไปไปครั้งแรกเมื่อไไปครั้งแรมแต่ได้แค่คืนเดียวเพราะว่าเพราะว่าต้องกลับมาดูแลคุณพ่อเจ้าค่ะพ่อจ๋าค่ะเพราะเขาเขาอยู่คนเดียวแล้ว ก็คือเขา82อ่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์คือเขาดูแลตัวเองได้พอสมควรแต่มันจะมีบางอย่างที่ที่ต้องนีดการซัพพอร์ตด้วยเจ้าค่ะก็เลยใช่ทำงานด้วยกันไปไปค่ะลูกก็ตอนนี้คือตั้งแต่ที่พระอาจารย์ให้จดเป็นแจวมาลูกก็พยายามปรับให้ให้ได้ทั้งกรณีเป็นแจวแล้วก็ปฏิบัติ ด, ด้วยเจ้าค่ะอย่างเช่นตอนเช้าดูแลอาหารดูแลตอนเที่ยงดูแลอาหารอะไรเสร็จตอนบ่ายลูกก็ไปอยู่หลังบ้านเจ้าค่ะพระอาจารย์ที่เป็นสวนหลังบ้านเจ้าค่ะแล้วก็อยู่ สวดมนต์ไปสลับฟังเทศไปหรือพิจารณาไปเดือจงโกไปอย่างนี้เจา้าค่ะอาจารย์เจา้าค่ะเดค่ะก็เลยทำหน้าเทศ่สองส่วนค่ะประโยชน์ของพ่อแม่แล้ประโยชน์อของเราค่ะก็พ่อแม่เขาก็ไม่ได้ขัดขวางเจา้าค่ะก็ยังโชคดีก็คือพอดูแลเรื่องอาหารการกินเรื่องอะไรพวกนี้ให้เขาเสร็จลูกก็ไปอยู่หลังบ้านเขาก็แม่มากวนเจา้าค่ะอาจารย์ก็ พอถึงเวลาไปซื้อดอกข้าวให้เขาตอนเย็นก็ไปซื้อดอกข้าวล้างล้างชามล้างอะไรขึ้นมาข้างบนงอย่างเงี้ยเาาจ้าค่ะอาจารย์ก็จะมีเวลาส่วนตัวที่จะปฏิบัติต่อเจ้าค่ะพระอาจาราย์เลี้ยได้ด้วยไม่สามาราทำงานที่บั้งสองส่วนได้วก็ ก็ตั้งแต่วันนู้นที่ว่าจะให้การบ้านมาก็พยายามปรับเพราะตอนแรกที่กับเรียนพระอาจารย์ว่าพอตั้งพอสวดมนต์อยู่เขาเรียกให้ไปช่วยเหลือนู่นเชื่อเหล่านี้รู้จะมีความหงุดหงิดใช่ไหมเจ้าคะพระอาจารย์แต่ตอนนี้มันวางใจได้ว่ามันเป็นออนออฟได้เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็คืออ่าพอเขาเรียกใช้ก็คือออฟไปแล้วก็ไปใช้ไปทําความเป็นแจ๋วใช่ไหมเจ้าคะแล้วก็ก็กลับมาก็มันต่อสติได้เจ้าคะพระอาจารย์ก็มาสวดบริกรรมต่อหรือสวดมนต์ต่อหรือฟังเทศต่อโดยที่ไม่ แทบจะไม่มีความหมุดหงิดแล้วเจ้าค่ะพ่อจันเราก็ใช้หนว้บนคนหนึ่งของพ่อแมันเป็นรูกนี้คนใช่ค่ะเรามองแล้วว่าเราเป็นหนี้เขาเยอะมากเจ้าค่ะพ่อจารย์ก็ก็ใช้ไปก่อนเจ้าค่ะตามต่อไปถ้าอยากจะเข้ามาเมื่อไรก็เข้ามาได้นะเจ้าค่ะพ่อาจารยังยังติดตามเฟซบุ๊กพ่อาจารย์อย่างสม่ำเสมอเจ้าค่ะพ่อาจาย์ค่ะ กลาวขอบคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเจ้าค่ะขอบคุณด้วยนับไปด้วยแน่นอนเลยพี่น้องกลับสาธุ <Así> ค่ะกลับสาธุค no ่ะพระอาจารย์ได้ยินหนูไหมเจ้าค่ะได้ยิค่ะพระอาจารย์ของศหนูก็ปฏิบัติเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์วันนี้ก็วันเกิดหนูค่ะพระอาจารย์ค่ะก็วันเกิดหนูก็ขอบคุณ บิดามารดาค่ะที่ให้ยืมร่างกายในการสร้างบุญบาลามีค่ะพระอาจารย์ได้ใช้ร่างกายแบบเต็มที่เลยค่ะพระอาจารย์ในปัจจุบันนะคะแล้วก็ดีใจค่ะได้มาเจอพระอาจารย์ในการปฏิบัติธรรมค่ะพระอาจารย์เพราะว่าตอนแรกหนูก็แบบเจอผ่าตัดเยอะบางทีแบบโอ้โหทุกข์ใจมากมา ก, มากค่ะพระอาจารย์เพราะว่า มันปวดนะคะพระอาจารย์คืออยากหายแต่พอได้มาปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์แล้วเข้าใจในการปฏิบัติธรรมกลายเป็นว่ายอมรับความเป็นจริงนะคะพระอาจารย์คือเป็นอะไรก็เป็นกลายเป็นว่าไม่ทรมาน ก, กับร่างกายนะคะพระอาจารย์แล้วก็ลุยทํางานได้ถึงแม้วายวะหนูหายไปเยอะมากเลยนะเจ้าพระอาจารย์ก็ยังลุยชีวิตไปได้ะคะ่ะแต่ส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่ใจจะไม่ได้ อะไรกับร่างกายมากอะค่ะพระอาจารย์มันก็เลยไปได้แบบเยอะเลยค่ะพระอาจารย์แล้วกแ็แต่แต่แต่หนูต้องตั้งใจในการฟังธรรมไปเรื่อยๆนะคะพระอาจารย์ต้องชาร์จใจตลอดนะคะ <S <S พระอาจารย์มันหยุดไม่ได้นะคะ <S <S พระอาจารย์ที่แบบจะไม่ฟังการฟังธรรมอะคะ่ะมันเหมือนแบบเติมน้ํามันหรือชาร์จไปให้กับตัวเองตลอดนะคะพระอาจารย์ แต่ถามว่าจะไปฟังดนตรีเหมือนเดิมไหมไม่นะคะพระอาจารย์กับกลายเป็นมาฟังทำอย่างเดียวอคะ่ะพระอาจารย์อย่างหนู่ไปร่วมกิจกรรมอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์ที่มีงานที่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยคะ่ะกลายเป็นว่านั่งหาวนอนนะคะต้องรีบไปหาหูฟังมาทำมาฟังทำแทนนะคะพระอาจารย์มันไม่ได้ไปกับกิจกรรมทางโลกแล้วะคะ่ะพระอาจารย์สําหรับหนุ่อะคะ่ะก็เลยได้ มีความสุขทางใจมากกว่าค่ะพระอาจารย์เลยมองบุคคลอื่นเป็นเพียงแค่อากาศนะค่ะพระอาจารย์ในปัจจุบันก็เลยได้ก็เลยได้ขอบเจ้าค่ะพระอาจารย์ได้ขอบคุณบิดามันดาให้ยืมร่างกายในการสร้างบุญค่ะแล้วก็ขอบคุณพระอาจารย์ค่ะในการที่มันใชร่างกายสุดท้ายนะ เจ้าคะซาทูเลยครับพระอาจารย์หนูก็แบบ hmm. อะค่อยากทําอะไรทรําเลยไม่ค่อยได้สนใจผู้อื่นแล้วค่ะมองเป็นอากาศ hmm. ที่จะพิจารณาตัวเราเองอะไรที่มีประโยชน์ก็ทําไปอ่ะคะ hmm. ่ะพระอาจารย์ hmm. ก็เลยแบบลุยถ้าจะผ่าอีกหมอบอกว่าผ่าครั้งต่อไปครั้งที่ห้าหนูบอกว่าถ้าถ้าเอาตามใจบิดามารดาค่ะพระอาจารย์ทําบิดามารดาขอร้องหนูก็ไม่ได้กลัวกับความตายอ่ะคะ่ะพระอาจารย์เพราะว่า สภาพมันไปหมดแล้วอะค่ะพระอาจารย์ก็เลยเลยค่ะพระอาจารย์อยากมาเจอเลยก็แันนะจ้าทูพระอาจารย์หนูหนูแค่หนูแบบหนูแค่ดีใจแบบโอ้โหหนูมาเจอตอนที่ผ่าตัดล่าสุดเนี่ยแหละค่ะพระอาจารย์หนูอยากทดสอบว่าใจหนูได้จริงๆหรือเปล่าตามความคิดหนูนะคะพระอาจารย์หนูก็แบบไดสัมผัสจริงจริงว่าหนูไม่เจ็บร่างกายจริงๆพระอาจารย์เพราะว่าตอนผ่าสมองก่อนหน้าเนี้ หนูปวดทรมานจนแบบโอ้ทำแบบทรมานมากคืออยากหายอะค่ะพระอาจารย์พอได้ปฏิบัติทำแล้วแบบเจอจริงๆริบอยหายอะค่ะ้อาจารย์เจ้าขาสาธุค่ะขุนมาลีจอมขนมาลีกลับหลงพ่อค่ะก็ปฏิบัติทางศีลภาวนาปฏิบัติบูชาทุกวันค่ะหลวงพ่อ สงบดีค่ะน้องพ่อไม่มีอุปรสรรคไม่มีอะไรข้างในไม่มีค่ะมีแต่เพิ่มเพิ่มความสงบค่ะลหลวงพ่อได้ยินเสียงของพ่อเทศได้ยินน้องเจมส์จัดตี้พูดพูดถึงผมขนหรือผ น, นังก็สงบค่ะลหลวงพ่ อ, อแล้วคุณหลาเขาส่งรูปเกี่ยวกับกายวิภาคมาให้มาให้ดู เห็นแล้วพิจารณาเอาจิตน้อมเข้าไปมาถึงตัวเอ ง, งเของหลวงพ่อก็สงบดีมากมากค่ะหลวงพว่อแล้วความสุขความสงบเพิ่มขึ้นเหมือนเหมือนมันว่า ง, างๆเบาๆเหมือนเหมือนหนูไม่มีอะไรเลยอะค่ะหลวงพว่อถูกใจว่างตลอดเวล า, าค่ะหลวงพ่อแล้วอะไรที <ใจ S 2> ่ที่หลวงพ่อบอกว่า ให้ละให้วางอะไรที่พอวางได้รับได้หนูก็พยายามวางค่ะพอ่อมันต้องวางทั้งหมดนะพ่อมันมันต้องใช้ ง, มงหมดทุกอย่างเพราะมันเอาไปไม่ได้ค่ะพ่อรู้สึกมันสงบสงบคือทําอะไรก็สงบทําอะไรก็สงบเอ๊ะทาไมแบบ มันมันไม่ยืดไม่ติดนไม่ยืดไม่ติดกับอะไรทำเป็นงหน้าที่ใช่ค่ะหลวงพ่อถึงเวลาทํางานหนูก็ทํางานแล้วก็จะฟังธรรมะไปด้วยค่ะหลวงพ่อแล้วมันเหมือนมันมีอะไรที่แบบพอช่วงจังหวะหยุดคิดงานมันก็สงบค่ะหลวงพ่อเพราะมันหนูหนูบอกหนูวอกไม่ถูกค่ะหลวงพ่อหนูหนูพอใจที่มันเป็นแบบนี้ค่ะหลวงพ่อหมายที่มันมันสงบดีมันไม่ ไม่ไม่ต้องออกไปวุ่นอะไรนยค่ะหลวงพ่อการปฏิบัติเไม่อให้ใจสงบไม่วุ่นวายกับอะไรทั้งสิ้นค่ะหลวงพ่อโอเคปฏิบัติต่อไปนะค่ะขอบคุณหลวงพ่อมากๆค่ะโคอะไรเันวิสาเชิญวิญญาอีกเล่เอเล่าเอกับนมัสการค่ะพระอาจารย์ ก็สงบดีค่ะก็ยังปฏิบัติทุกวันนะคะไม่ไม่ไปไหนค่ะอยู่แต่บ้านค่ะบามทุกข้อมูลเราใจค่ะทุกอย่้งก็ดีขึ้นค่ะพระอาจารย์เรื่องการยึดมั่นถือมั่นร่างกายก็ดีขึ้นเลยค่ะพระอาจารย์ความเหงาความเบื่อเป็นไงบ้างอ๋อไม่ไม่มีไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะเรื่องความเหงาความเบื่อนี่ตัดออกไปตั้งนานแล้วค่ะคืออยู่ได้ค่ะไม่ไม่ต้องการออกไปไหนไม่ ไม่แต่ก่อนก็คิดถึงเรื่องว่าไม่มีเพื่อนแบบตอนนี้เฉยๆค่ะอยู่คนเดียวได้ค่ะพระอาจารย์เพื่อนที่นี้สุดท้ายคืโจรานี่ใช่ค่ะพระอาจารย์เพื่อ น, นคือคนโจรว่านี่จะไม่ทะเลาะกับเราแต่เพื่อนคนนนี้ไม่รู้กขาจะทะเลาะกับเราเไหร่ค่ะพรออะอาจารย์ตอนนี้ก็ไม่ได้ออกไม่ได้ออกไปเจอเพื่อนเพื่อนคงตัดขาดไปหมดแล้วค่ะพระอาจารย์ค่ะอาจารย์ก็ต<ด>้อง สงบดีค่ะก็พยายามรักษาการปฏิบัติให้ให้มากๆขึ้นนะคะพระอาจารย์ถึงแม้ว่าค่ะม่มีคำถามอะไรนะไม่ไม่มีคําถามนะคะ<ม>ก็ฟัง<ม>เหลือกเหลือปฏิบัติอย่างเดียวค่ะพระอาจารย์<ม>ฟังใหม่เยอะแล้วค่ะพระอาจารย์ก็น้อมนํ า, า, น า, านปฏิบัติต่อไปค่ะพระอาจารย์แบบาีพิ่งนการปฏิบัติให้ลังเทวเป็เหมือนลมหายใจของจิตใจนะ ค่ะพระอาจารย์ไม่ไม่ทิ้งค่ะเพราะเวลาเริ่มใหม่มันมันยากค่ะพระอาจารย์ค่ะไม่อยากสะดุดค่ะพระอาจารย์เราวแล้วเราต้องจำมาทําใหม่ก็เหมือนปั้มหัวใจนะเป็นหายใจแล้วก็ว่าปั้มหัวจางใช่ค่ะพระอาจารย์เริ่มใหม่แล้วมันมันเหมือนนับหนึ่งใหม่เลยค่ะพระอาจารย์ที่สะสมไว้ลืมไปหมดเลยค่ะพระอาจารย์ค่ะ โ okay. อเกสเาธุค่ะสาธุค่ะคุณปุ้ยน่าเชื่อเมื่อกับนะมาสักการ์ค่ะอาจารย์คุณอาจารย์สบายดีไหมคะก็สบายดีจา้าคุณปุ้ยละ่ะคุณปุ้ยสบายดีหรือเปล่าคุณปุ้ยสบายดีค่ะยังปฏิบัติธรรมเหมือนเดิมคุณปุ้ยจะเข้ามารายงานพท่านอาจารย์ว่า ส่วนมนต์ตอนเช้านั่งสมาธิแล้วก็อาทิตย์นี้ขยันหน่อยแต่ว่าเสียใจตรงที่ว่ามันเราลืมจดบันทึกอะพระอาจารย์มันมีสองวันโยมนั่งสมาธินั่งแล้วก็ทําเหมือนที่ท่านอาจารย์สอนถ้าไปทําธุระให้เสร็จแล้วก็กลับมานั่งทําธุระเสร็จับมานั่งทำธุระเสร็จกลับมานั่งอะงโยมก็ทํำอย่างเงี้ยวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ อ, อรู้สึกจะเป็นวันเสาร์ที่โยมนั่งตามเ อ, อวัดวัดประทุมวนารามอะค่ะที่เขามีมีการนั่งถึงถึงเช้าเลยอะออและและมันมันมันเวลามันต่างกันโยมก็นั่งตามและโยมรู้สึกดีดีนะโยมรู้สึกว่าเออมันแบบมันสงบเนาะแต่ว่ามันไม่เห็นอะไรนะพระท่านอาจารย์โยมไม่เห็นอะไรหรอกแต่ว่าโยมรู้สึกว่าจิตมันสงบและทําให้เราแบบ อยากจะนั่งจนแบบบางทีลืมตอนเช้ายมลืมลืมสวดมนต์มีอยู่วันหนึ่งยมลืมสวดมนต์ค่ะโยมก็ถวายท่านอะาจารย์ทุกวันเลยยมบอกอย่างเนี้ยโยมถวายทุกเชา้าทุกเย็นเลยมือไม่ต้องถวายใครหรอกมือเป็นของเราแต่ว่ายมไม่ได้กวดน้ำลงดินหลายวันแล้วอะท่านอาจารย์เพราะว่าฝนมันโตกแล้วมันหนาว ในยโยมกลัวต้นไม้โยมตายโยมก็เลยไม่ได้ไม่จ้าเอาน้ําไปรดต้นไม้งไม่เป็นไรก่อนนะโดยที่สวดแห่งก็ได้ไม่ต้องสวดน้ำก็ได้ใช่แต่โยมท่องโยมอะตั้งแต่เข้าพรรษามาโยมอธิษฐานว่าโยมมจะสวดเอ่อบทไออะไรวะเมตตาใหญ่อ่ะนะนะกับโยมจะสวดเอ่ออะไรนะที่เขาเขาเรียกว่าบทอะไรหน้า อีกบทหนึ่งอ่ะมันยากยากที่กวดน้ำเมตตาใหญ่กับบทอะไรอีกบทหนึง่งโยมโยมชวดได้แต่โยมต้องตรวจแบบเปิดหนังสืออ่ะ <Okay. S 1> โยมกวดไปก ว, วดน้ำไปโอเคเนะาใช้อย่ังสม่ำอย่างสบามีความสุค่ะขอให้ท่านอาจารย์ทัดขันแข็งแรงค่ะโยมก็ไม่มีอะไรก็อ่า นำน้อมนำบุญมาถวายท่านอาจารย์เจ้าค่ะครับนักเรียนจะค่ะนักเรียนนักอน้องกล่มน้ำมการนักอาจารย์เจ้าค่ะอันนี้เข้ามาร่วมรับฟังเจ้าค่ะไม่มีปัญหาไม่มีเจ้าค่ะแต่ผมไม่มีเจ้าค่ะแต่ผมคุณกายนักเรยน น้กามนมรสการค่ะพระอาจารย์งานเชาองตอกนนี uh ้ตกค่ะพระอาจารย์ตกคูกวันเลยช่วงนี้ตอนนี้่ตอนนี้ตอนนี้ก็ตกค่ะก็วันนี้ก็มาร่วมรับฟังธรรมค่ะไม่มีไม่มีคาถามค่ะขอบพระอาจารย์ชบค่ะชนทนแะดาบรอาจารย์เจ้าค่ะ วันนี้ยงก็ไม่มีคําถามค่ะก็เจิบจิบก็ไม่แน่ใจอาจจะไม่ได้เข้ามานะคะพระอาจารย์ถ้าไม่ได้เข้ามาก็กลับพระอาจารย์ด้วยกันด้วยค่ะไม่มีคําถามจ้ะในเวาวารายสาวในเวลาวารายเชิกลับนมัสการเจ้าข่าพระอาจารย์อหนูขออนุญาตสอบถามคําถามค่ะหนู ห น, หนูวันนี้ทาง p r o c e s i n g Manager ค่ะเขาได้ไปฟังธรรมพระอาจารย์เมื่อเมื่อวันพระค่ะแล้วเขาก็พูดเขากลับมาเล่าให้ฟังว่าพระอาจารย์เทศเรื่องของการของการมีสติแล้วก็การนั่งสมาธิโดยที่ไม่ให้ไปหลงกับแสงหรืออะไรเงี้ยค่ะที่เนี้ยหนูห น, หนูมีคำถาม น, นิดนึงว่าพอดีหนูเคยก่ น, นะคะหนูเคยเห็นเห็นผู้ปฏิบัติธรรมท่านหนึ่งะค่ะเวลาท่านนั่ง เลาหรือว่าท่านฟังธรรมอะตัวท่านจะโยกไปโยกมาเหวี่ยงแรงๆอะคะ่ะอาการแบบนี้มันเป็นอาการที่ไม่ไม่มีสติหรือควบคุมตัวเองไม่ได้ในระหว่างฟังธรรมหรือว่าปฏิบัติธรรมอันนี้แปลว่ามันม่นเสติไม่มีสติเพราะฉะนั้นสิ่งที่สาคัญก็คือการการกลับมา ล, ลึกคือการแก้ไขคือการกลับมาลึกรู้แล้วก็แล้วก็ต้องต้องทาต้อง ต้อหยุดทําให้ได้ใช่ไหมคะงั้นเหมือนเราตอนนี้คุยกันเนี่ยมันตัวคนโยกไปโยกมาอ่ะไม่โยกค่ะตัวคนมีสติใช่ไหมรู้ติดตัวตลอดเวลาอืมวนใหญ่พวกนั้ น, นโยกไปโยกมาแสดง้นมันหลับได้คนนอนหลับอ่ะเพราะฉะนั้นก็คือจะต้องต้อ ง, ต, องต้องพยายามพยายามคลองสติรู้ตลอดเวลาเมื่อเมื่อเมื่อเรารู้ว่าเมื่อไม่มีสติ ก, ก็ต้อง ต้องกลับดึงกลับมาให้เร็วที่สุดถูกต้องไหมเจ้าค่ะเจะ้าบอกสติเป็นเรื่องที่เป็นเท่ากับเงินแล้วค่ะถ้าจะวำอนไรก็ต้องมีสติเล้วค่ะโยมย่างสมาธิฟังเทศน์าทธรรมต้องมีสตินะแล้วค่ะสำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าทุกๆครั้งพระาาย์จะพูดถึงเรื่องของสติที่จะต้องมาก่อนสมาธิทุกครั้งเลยค่ะเล้วค่ะพระผู้นำสติถ้าให้ในผู้นำไม่มีสตน สมาชกเข้ามาไม่ได้ตัญญายก็มาไม่ได้เจ้าค่ะกับสาธุเจ้บค่ะโยมแจนจากเพชรบุรีสมาสกาจารพระอาจารย์ในเมิองเพชรบุรีใหญ่นักธิปรากรเท่าไหร่เรียบ้ยไหมอ ในี่นไปแสดงว่าสัญญาณอาจจะหามาด้ใจ่ราไมีทางกลับมาแล้วค่ะพระอาจารย์หายไปหลายอาทิตย์แม่สามีมาเลยไม่ได้เข้ามาแต่ว่าติดตามฟังพระอาจารย์ทางเ c e b ุ๊กนะคะในี่ค่ะเร ว, ว, วันนี้ไม่มีคำถามค่ะโยมปฏิบัติทุกวันนะคะพระอาจารย์ตอนที่น้องจามิตกับน้องเจตตี้พูดถึงอาการ32อ่ะ โยมแบบว่าภาพมันมาเลยค่ะพระอาจารย์ว่าอาวัยวะตรงไหนอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ก็พิพจารณาแบบนั้นอยู่ค่ะดีมากพิจารณาเรื่องการมาราคาและกามาร้นค่ะพระอาจารย์แล้วก็วกนนวไม่เป็นโจซอนใร่างกายค่ะพระอาจารย์จนตอนนี้เห็นว่าเอาเป็นหนังร่างกายคนนี้คือหนังหุ้มปฏิกูลนะคะพระอาจารย์อืมีกระเป๋าหนังห้มงกระดูกอะไร ค่ะพระอาจารย์ตอนนี้เหมือนพอมองแขนก็หอนเห็นเป็นหนังหุ้มเนื้อหุ้มกระดูกแล้วก็มันเป็นธาตุดินน้ำลมไฟอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ถูกสร้งค่ะอืมไม่ใช่ตัวเราของเราค่ะพระอาจารย์ต้องปล่อยวางร่างกาย่องเราให้ได้คนะ่ะพยายามอยู่ค่ะพระอาจารย์พอ ย, ยมเห็นเป็นอย่างนั้น แล้วพอแบบว่าโยมที่โยมเข้ามาหันมาปฏิบัติธรรมก็เพราะว่าโยมมีอ่าเกิดการเจ็บป่วยของร่างกายใช่ไหมคะพระอาจารย์ mm hmm. แต่พอถึงเวลาจริงๆเหมือนเวลาโยมต้องไปหาหมอหาอะไรมันก็ยังมีอยู่นิดนึงนะคะพระอาจารย์ทั้งๆที่ที่รู้นะคะพระอาจารย์ว่าเอ่ออย่างที่พระอาจารย์บอกว่าพอถึงเวลามันก็เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างพยายามพิจารณาเพื่อที่จะตัดมันให้ได้อยู่ครับพระอาจารย์ได้พยายามทําำด้วยเรื่องต่างๆนะเราตัดได้เหมือนกันค่ะพระอาจารย์ ันงกไม่ขาดเพรันข้ที่สองฟัน้างี่สามฟันไเ่อขานไปเรืใช่ค่ะพระอาจารย์โยงก็จะปฏิบัติแล้วก็พิจารณาต่อไปค่ะไม่เคยขาดสักวันค่ะปฏิบัติทุกวันเลยค่ะค่ะเมื่อกี้ถามเมืองพิสเบเมืองพิสเบิร่ใหญ่เลยเมืองพิสเบิร์กไม่ใหญ่ครับอาจารย์ถ้าเกิดขับรถวนสามสิบนาทีก็ครบหมดแล้วค่ะอมา้างร้านเสร็จแล้ว อะไรนะคะพระอาจารย์พระอาจารย์ทอนประมาสักเท่าไหร่โอ้ยมไม่รู้จริงๆค่ะแต่ไม่เยอะหรอกค่ะพระอาจารย์เป็นเพราะว่าเป็นเมืองเล็กๆนะคะโลเคชันเหมือนเชียงใหม่ค่ะพระอาจารย์ขึ้นเขาแล้วก็ลงอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ค่ะแลกับฟิลาเดลเฟียไกลกันค่ะพระอาจารย์ฟิลาเดลเฟียจะใหญ่กว่าแล้วก็ไกลจากพิสปอรประมาณเกือบห้าชั่วโมงค่ะค่ะใชกอือมีขนาเนี้ย ค่ะขอให้พระอาจารย์พัดคันแข่งแวงค่ะพระอาจารย์ฝากด้ค่ะขครับขอบรับอยากจมาัฒการครับพระอาจารย์มีความสุขได้ยินไหมครับได้ยินชัดเจนเพียงนั้นมีความสุขประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นครับแล้วก็ที่พี่หล้าส่งกายยาคตาสติให้อะครับก็ก็พิจารณาได้ครับพิจารณาแล้ว มันก็สว่างอ่ะครับมันมันจําได้แล้วก็พอมองเข้าไปมันก็มีความสุขอะครับใช่แต่มันต้องเอามาใช้ตอนที่เกิดการมาลาคานะ้าเนึ้อครับก็ก็ไม่ได้มีการมาลาค้าประมาณสองเดือนครับอืจก็ก็เหมื อ, อ, อมนยานะถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าร่างกายปลอดภัยก็ไม่ต้องกินยาแต่ถ้าเป็นไข้เป็นอะไรก็ต้องกินยามันเป็นยาหักครับ ไม่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างแต่รู้สึกว่ามีความสุขมากขึ้นเลยครับโอเคน้ำหนักมากขึ้นด้วยรือเปลด้วยครับท่านจารย์นนี้แสดงว่าสุขพ้อได้กิงั้นเรื่องนี้ต้องละละไว้ครับเรื่องอื่นพอได้ครับอ่าอขกดีใจน้ำตาไหลเฟื่อเจ้าผมน้ำตาหลผมดีใจครับขอบคุณอะะครับ ด <Okay. S 2> ีใจที่ที่ได้มีธรรมะครับ <senza> กับขอบคุณพระอาจารย์ที่เมตตามาตลอดครับต่อไปที่คุณหมอจะได้เสนอเชิญไม่มีคำถามสุขค่ะท่านพอาจารย์นี่ไปที่คุณหมอน่าจะเชิญคุณหมอครับ กรรมการผู้จครับอ่าเม่อะไรพูดได้เลยคหมออ๋อครับกี่ดีมีโทรศัพท์เข้ามาพอดีอผมผมไมนไ้เข้ามาฟังธรรมไม่มีไม่มีปัญหาไม่ะไรโอเคครับผมยัไปได้ยินลูกตาลลาเป็นกรค่ะพระอาจาร์วันนี้เข้ามารับฟังค่ะพระอาจารย์ ก็อยากให้พระอาจารย์แนะนําเรื่องมีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นประที่เพื่อต่อสู้กับกิเลสที่มันอาจจะเข้ามาบางช่วงจังหวะที่ทําให้เราคิดว่าเราอาจจะไม่บรรลุธรรมอาจจะอ่าพบชาตินี้ไม่มีทางที่จะเข้าสู่กระแสแห่งธรรมได้ประมาณนี้เจ้าคะ่ะอ๋อเราก็าต้องรีสัตยทาในคําสอนของพระเจ้า การาำสองสเจ้าถ้าปฏิบัติตามได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็สามารถที่จะเข้าถึงมรรคผลที่พานได้อย่างได้อย่างเร็วก็เจ็ดวันได้านานก็เจ็ดเดือนได้านานก็เจ็ดปีแต่ถ้าตามใจความเพียรพยายามปฏิบัติดีเรื่อยต้องได้อย่างแ น, น่นอนให้ความมั่นใจได้เพราะมีสาวกของเจ้าปรากฏขึน้นมาเป็นจํานวนมาก สาวกต่างๆก็เหมือนพวกเราพวกเราปอนที่จะมาเป็นสาววุ้งก็เป็นตัวช่ยหนึ่งพวกเราแต่ก่อนเมื่อาคำสอนพระเจ้าม า, มาปฏิบัติดีปฏิบัติชาบแล้วเห็นมากผลที่ผ่านก็ปรากฏขึ้นมาตามเงืนหลักของที่ให้เราคิดอยู่อย่างนี้เราเราจะได้มีกําลังใจจะปล่อยให้กิเลสนำเราให้เราบิดขี้เราไม่มีวาสนาเราไม่มีบาลาีเราเป็นผู้หญิงอืมอย่างนี้มันไม่ได้เป็นตัวสําคัญ ตัวคัญ่ที่วเวลาในสัตยารฟังเชื่อในพระพุทธประธรรมพระสงไ้ป่าแล้วลเราปฏิบัติการท่องสองได้หรือปะ่ะเอาตร ง, งนี้นพยายามเปลี่ยนปฏิบัติทางสิ่งภาวนานเรื่อยแล้ว่ากีเลจะว่างก็ไม่สนใจเชื่อพระพุทธประธรรมท่องสอจที่เชื่อว่าทำทมรูทาดานรกสาสิภาวนาได้ก็ไปเห็นนิพพานได้่แน่ น, นอน อยู่ที่ตัวเราเราต้องเป็นคนปฏิบัติพระพุทธธรรมะสงเป็นเพียงผู้สผู้สอ น, สอนแต่ผู้เย่ยมตามทำตามเขาสอนได้กับตั ว, วเราเองอัจายะพ้โงนาโทดังนั้นเราขยันอยากขี้เกียจขยันทำบุญทำทานบุญําบุญทุกวันเนี่ยบาราบาสองบาทก็ได้มันจอนมีคนเอาเหรียญ เลี้ยเล้นงะตาเข้าเก็บใส่ในในกระปุกเอามาถวายผมไม่เริ่มเลยครับเขาบอกเข้าไปเขาพยายามเป็นทําบุญทำทานอางนี้นาบาังอารมณ์บังบาป ท, ทำให้มันใจดีใส่และเวลามาวัดจะเอาเงินที่อยู่ในกระปุก น, นั้นไปถวายวัดไม่ได้ทำบุญอย่างนี้นทำบุญได้ทุกวันทำบุญทุกวันนี่มันดีกว่าทานงานๆทำทีนี้ เพราะมันทำแมันจะติดมันยืสายมันอยากจะทำอยู่เรื่อยๆมันไหนไม่ได้ทำแล้วมันรู้สึกว่ามันขาดอาหารมันท้องอาหารใจใจมีความอึดอัแต่เวลาได้ทำแล้วใจมันมีใจมีความอิจฉาใจอยากทำทานแล้วก็รักษาสิ่มันธรรมดาทำงานแล้วรักษาสิ่งหน้าวันพระวันหยุดการักษาสิ่แบบแล้วก็ไปปฏิบัติทำทำอันนี้ไปต่อนถ้ายังต้องทำงาน ถ้าทำไปนี่รับประกรันได้แล้วก็ไปถึ ง, งนลยนี่ไปไม่ถึง็เพราะเราไม่ปฏิบัติจริงจ้าค่ะร้บประกรันได้เราจะไม่มีกิเลส จ, จะไม่กล้ามาหลองเราอีกต่อไปถ้าเรามีความเพียรพยายามปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าอย่างต่อเนื่องอย่างสม า, านเสมอเลเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะค่ะเรามาสักการะค่ะ โอเคใงตอนคนจีบแม้เวลาเหมือนกันเลยที่ไม่ได้เข้าม า, มมกก า, า, าอาจารย์นรมัการค่ะอาจารย์ตอนแรกว่านึกว่าจะไม่ได้เข้าแล้วค่ะเพราะว่างานวันนี้มันยุ่งเดี๋ยวตอนอีกสักหอีกสักห้านาทียมต้องออกไปโรงเรียนลูกอะค่ะพาลูกไปหาหมอก็เลยบอกค่ะมันยุงย่งๆแล้วก็ต้องสั่งอาหารให้ออฟฟิตด้วยก็ลเลยบอกสลินทรอนว่าถ้ายังไงจะได้เข้าหรือไม่ได้เข้าฝากกับพระอาจารย์ด้วยนะคะ คือโยมก็ไม่มีอะไรค่ะแต่ว่าพอดีก็มีเรื่องนิดหน่อยเหมือนกับพอลูกชายอ่ะค่ะเหมือนกับเราก็ไม่ได้หวังว่าจะต้องอะไรแบบเขาจะเข้ามาหาลัยใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าเอเห็นเขาจะมีสอบอชีวะวันนี้ไปมาอเตรียมตัวตั้งแต่วันวันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่เตรียมตัวมาแต่เล่นเกมพอถึงวันนี้ถึงเวลานอนเมื่อคืนนอนปีสามพอวันนี้ตื่นมาบอกแม่ขอโดดเรียนได้ไหมโยมก็แบบโยมแบบ ทำไมหน้าที่ของตัวเองไม่รู้จักทำํำก็เลยมีอารมณ์เสียแบบไม่ใช่ถึงกันอันอารมณ์เสียหลอกคือค่าแบบว่าทําไมแค่แม่ขอแค่ว่าเออรับผิดชอบตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็ทําหน้าที่ให้ตัวเองให้ดีที่สุดแม่ก็มีงานของแม่แม่ก็ทําในส่วนของแม่นิยมก็เลยอคุยกับศลินทอนสลินทอนก็บอก เ, ออเข้าใจเหมือนกันแต่ว่าเธอลูกก็ปล่อยวางไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะนิยมก็เลยพยายาม ก็พูดได้พูดได้อไปโกรธองแถ้าเขไม่ทําตามที่เราพูดก็แล้วกันอย่างนั้นเราทำหน้าที่ขอาสอนเขาบอกเขาไปเมื่อกี้ยมได้ยินอาจารย์บอกว่าคนที่ไม่มีลูกนี่คือมีบุญยมบัดมันเห็นภาพมาเลยอาจารย์บอกว่าว่าเราไปหาบ่วงมาทําไมเนาะตอนแต่งงานก็ไม่ได้อี่ตนทาวางยาน ออ<ช>มันยังไมแฟนมันเหมือนกับมันเป็นวงจรว่าเออถ้าแต่งงานมันจะต้องมีลูกมีลูกก็ต้องเลี้ยงให้ต่อคาดหวังคาดหวังไปเรื่อยถ้าโยนย้อนเวลากลับไปได้ก็ไม่แน่ใจว่าอยากมีลูกไหมแต่แต่มันก็เป็นความสดชื่นดัอย่างหนึ่งแล้วมันก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งแต่ก็ยังยังไม่แฟนอยม่ ต, อ ง, ตองดูการต้องพิจารณาการ32บ่อยๆต่อไปจะไม่อยากแต่ไม่ไ<ย>มค่ะยมก็ไม่ยมไม่ได้อยากมีนะคะยมคิดว่าเออแค่ มีอีกสองบ่วงเนี่ยบ่วงลูกสาวกัวบ่วงลูกชายหมดจากกล่อบวงนี้มัน <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ก็เหลือบ่วงตัวเองแค่เลวไม่เอาใครมาแล้วค่ะอาจารย์ตอนนี้ตอนมีแล้วก็ตอนนี้มีแล้วก็อยาอ่าไปทุกกับเขาแล้วกันที่ว่าเขาいろいろไม่ใช่เป็นลูกเราเี่ยเน่าเขาไม่ใช่เป็นลูกเราอย่างแท้จริงเขาเพียแต่มาสายท้อเราอยู่แล้ว้าพยายามคิดอยู่ค่ะอาจารย์เพีหห่งแต่ว่าโยมไม่ได้หวังอะไรมากแค่แบบเอะหรือว่ามันเป็นความอย่างที่แบบ แต่แค่เขารับผิดชอบตัวเขาเองเข้ามหาลัยได้ไม่ได้สอบตกไม่ตกยมไม่ได้หวังเลยนะคะสมมติว่าถ้าเขาไม่ได้เข้ามาทางท้องเราก็มาที่ประตูบ้านเราขอขออาศัยก็เราจะให้ก็อยู่ไหมก็ไม่แน่อาจจะให้ถ้าห้องนอนพร้อมสมมติจักเขาใหอยู่ดีๆก็มาเข้ประตูขอขออยู่ด้วยเราจะเออนั่นสิคะใช่ไหมคะต้องเมตตาสุดๆใช่ค่ะ แต่ถ้ามาในท้องเาปั๊บนี้เราต้องต้องใครเขาอยู่ทันทีเลยใช่ไหมใช่มันเหมือนเราไปเอาลกเราไปปลูกคอไว้นี่ของฉั้นนะอย่างเงี้ยค่ะจริงมันก็ไม่ใช่ของเราทั้งคู่ใช่ไหมเข้ามาทางท้องเราแล้วเข้ามาทางประตูบ้านเรามันก็เหมือนกันเขาก็เป็นคนใสงหน้ามีเล่นึ่งเราไปหวังอะไรจากเขาทําไมหวังอะไรจากเขาทำไมเราเลี้เข้าไปพร้อยเขาอยู่ได้ไปก็แล้วกันถ้าอ่าก็คือแค่วางใจว่าเขาอยู่ได้เขาปลอดภัย เกิดอะไรขึ้นก็มีสติอย่างนี้ก็พอจะพอจะไปได้ใช่ไหมหรือให้เขาโตขึ้นแล้าจะได้ขึ้นโตเขาอย่าง ไ, ได้แล้วก็จบใช่ค่ะยมก็ไม่แน่ใจก็พยายามถามเพื่อนร่วมงานผู้ชายที่เขาเป็นฝรั่งอ่นะคะอยู่ตอนนั้นเล็กยูเป็นอย่างนี้ไหมเขาบอกอยิ่งกว่านี้อีกอะแล้วอโอเคเขายังได้ดีแบบ <laughs> อ <laughs> โอเคเขายังรักสิ่งอตัวเองได้ตอนโตโอเคละก็โอเ ค, อเคอวางใจไปอะ ค่ะเพภัะว่าวันนี้ก็ไม่มีอะไรมาบ่นบนิดหน่อยค่ะอาจารย์ขอบคุณที่เป็นสติเจ้าค้าสาธุค่ะยงจะทาใจให้มากกว่านี้ค่ะสาธุค่ะพระอาจารย์รักษาธาตุขันนะเจ้าค้าาุค่ะอืมเป็นเนอมเชิญเ่เาล้วใช่ไหมสุจริตพระอาจารย์มีอะไรไหมวันนี้ ไม่มีค่ะลูกเข้ามาฟังทรรมเจ้านี้ก็สบายใจยงไงสบายใจสบายใจค่ะทุกอย่างเป็นกิริยาเห็นอเนจัง<ม>ทุกอย่างนะนะตาไม่มาแล้วก็ผ่านไปไม่มีอะไรเจ้าค่ะหลวงพ่อยึดติดไม่ได้ ไ, ดไม่มีอะไรเป็นสาระแก่นสารไม่มีเลยค่ะเปนของชั่อคำได้ค่ะทำทุกอย่างเป็นกิริยาไม่จิตไม่ได้เข้าไป อยู่ตรงนั้นแล้วกอ็อย่าไปยอย่าไปยอย่าไปเจ็บได้มีโอกาสไปให้กำลังใจคนที่กำลังจะเสียชีวิตนะคะจนจนท่านจากไปท่านอายุแปดสิบแปดแปดิเก้าก็ได้มีโอกาสคุยกับท่านหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์นะคะว่าคุณแม่รู้สึกอย่างไรท่านเป็นคุณแม่ของเจ้าของร้านนะคะก็ได้มีโอกาสชวนท่านฟังธรรมพาท่านสวดมนต์จน จนท่านจากไปอย่างสงบค่ะเจ้าค่ะเหมือนคนนอนหลับไปเลยท่านก็พร้อมจะบอกท่านพร้อมตอนแรท่านจะสุอ่า ก, ก็วันนี้ก็จะไปอีกออท่านคนนี้ก็กําลังจะไปเหมือนกันเป็นคุณยายของลูกเลี้ยงนะคะเมื่อวานลูกเลี้ยงแหวะมาบอกลูกเลี้ยงก็ยังโศกเศร้าอยู่ก็เลยให้กําลังใจไปแล้วก็ วั น, นี่ก็ตั้งใจจะไปเพราะท่านเมตตาหนูตั้งแต่หนูไม่อยู่เมื่อ20ปีที่แล้วค่ะเป็นคุณแม่ของภรรยาเก่าสามีก็อยู่เป็นครอบครัวเดียวกนันครอบครัวใหญ่จ้ะค่ะหลวงพ่อใช่ทำหน้าที่ไปทนหน้าที่ทำบุญทำทาน ใ, ให้ธรรมะธรรมทานใช่ค่ะหลวงพ่อที่ว่าท่านบอกว่าบางทีก็ไปสวดมนต์คนเดียวกับคระ ช่วงเย็ยนท่านก็บอกอาลิ้วมาคนเดียวไปคนเดียวนะบอเจ้าค่ะหลวงพอ่อทุกทุกครั้งที่หนูมีเวลาหนูจะปฏิบัติให้ได้มากที่สุดเจ้าค่ะไม่ทุกเจ้าค่ะหลวงพอ่อดีมากค่ะทำปฏิบัติทำเพื่อเพื่อดับความทุกขนะ์นั่นองการอะไรน้อนมากไปเนกันเจ้าค่ะโอเคนะ กรับขอบพระคุณในพแม่ตาในทำกาสั่งสอนเจ้าอาหลวงพอูปฏิบัติตามอยู่อย่างสม่าเสมอเจ้าค่ะอ่าคุณอผู้ชิตะโกนครารดการครับอาจารย์ไม่ใช่ตะกนตะครคนละคนครับครับอันนี้อะไรอนุอิตอะอนุิตครับ เมื่อสองปีก่อนที่ที่ผม uh, เรียนถามเรื่อง uh, เรื่องธรรมะนะครับก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นครับผมแต่ว่าวันนี้จะมาถามพระอาจารย์เรื่องของการทำสมาธินะครับตอนนี้เวลาเราทำสมาธิไปประมาณสักสามสิบนาทีสี่สิบนาทีมันจะมีความรู้สึกว่ามันตอนแรกเนี่ยมันเบาก่อนผ่านผ่านช่วงเบามาแล้วเนี่ยมันจะเป็นรู้สึกอิ่ม ในรู้สึกตอนนั้นเหมือนสติมันมันลดลงแล้วมันก็หลงในความอิ่มนะครับอาจารย์ครับซึ่งเราจะละความหลงของของของอตรงนี้ไปยังไงต่อครับก็เราใช้อะไรเป็นการภาวนาะใช้พุทโธก็มีใช้พุทโธต่อไปดูล<ผ>มก็ดูลงต่อไปครับผมอย่าไปสนใจกับอย่าไปสนใจกับว่าการที่เกิดขึ้นครับก็คือใช้ใช้พุทโธตอนตอนที่เรารู้สึกว่าเราหลงหลงอิ่มหรือหลงเบา แล้วก็ใช้คำ <ง S 1> ว, ว่าใช้ใช้อะไรก็ต้องใช้ตลอดระยะเวลาที่นั่งมันไม่ได้ลช่เฉพาะเลือกใช้ทังทางเริ่มทอนพูดโทรศัพ ท, ออท์พูดโทรศัพท์ไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งพูดโทรศพทอะไรจะปรากฏขึ้นมาก็ไม่ทำไปสนใจอาจารย์ครับมันจะมีมันจะมีที่เราทำสมาธิเข้าไปแล้วอ่าเหมือนกับว่าเหมือนกับมันมันอ่าในความรู้สึกเหมือนกับว่ามันมันสุดแล้วเราก็จะลดลดระดับสมาธิลงมา มันก็มันไปต่อไม่ได้แบบเนี้ครับอาจารย์พอาะพอไปพูดโทรไงถ้าพูดโทไปเลยมันก็จะไปไปแค่วันเครับถ้าอยู่พูดโธรอย่างเดียวถ้าทิ้งพือโธรเมื่อไหร่มันก็จะอยู่ตรงนั้นมันจะจอดตรงนั้นมันจะไปต่อไม่ได้ครับอาครับภาพที่ปรากฏในขณะทําสมาธินั่นแหละย่าไปสนใจนันมันเป็นของปลอมมาันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราต้องการมันไม่มีประโยชน์อเลย เราทำการความสงบความว่าง ท, ที่กิจากการนั่งสมาธิไม่ต้องไารเห็นอะไรไม่ต้องการรู้อะไรทั้งสิ้นถ้า อ, อย่า ก, กดก็อย่าไปสนใจมันจะทำให้เราไปไม่แข็งแข็งจุดที่จิตสงบที่สุดแต่ว่าเรื่องเวทนาไม่มีครับอาจารย์ครับเอาในคนตอนเรื่องมันตอนที่นั่งสมาธิถ้ามีสติแล้วมันจะไม่มีไม่มีเวทนา เ, เรื่องของชาขาปวดขาเนี่ยจะจะไม่มีเลยครับอาจารย์ครับ ไม่เว้นไรไม่มีการรู่ว่งไม่มีไปไม่ต้องไปสนใจคมีก็ต้องการคือให้จิตรวมเป็นหนึ่งแต่แต่ว่ารู้อั น, นหลักก็จุดมายปลายทางขอการนั่งสมาธิให้จิตรวมเป็นเด็นหนึ่งข้ากตาลม แ, แต่ว่านิ่งสงบสแล้วก็มีโอเบตหาถ้ายังไปไม่ถึงจุดนั้นก็พุโทโธไปเรื่อยๆ อ, อย่าไปสนใจกับอาการกต่างๆที่เกิดขึ้นนอห่างทาง มันมีอาการอีกอย่างหนึ่งที่ที่มักจะมักจะเป็นคือหูด้านด้านซ้ายมันจะเหมือนจะได้ยินเหมือนจะประมาณเนี้ครับแต่ว่าเหมือนกันเหมือนกันต้องอย่างอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจนะไม่อยู่กับพูดโท่อย่างเดียวให้อยู่กับพูดโธ่อย่างเดียวมันจะไปสนใจอนะไรเท่านั้นค่ะอาจารย์ครับ ถาไม่ได้มันก็จะไม่ได้นั่งสมาธิมันไปนั่งดูนั่งฟังนู่นฟังนี่นไปมันก็จะไปไม่ถึงในจุดที่เราต้องการไปคือจิตป็นสมาธินั่นเองด้วยความสบงบอาจารย์ครับในในสมาธิเนี่ยสติเราก็จะต้องมั่นคงใช่ไหมฮะปล่อยไม่ได้ใช่ไหมก็พุทโธไ ง, งถกมีพูโทโธเขาไม่การก็จะมีสติไงครับถ้าไม่มีพูโทโธมาแสดงว่ามันไม่มีสติครับครับน้อมรับปฏิบัติครับอาจารย์ครับ โอเคนะครับเราจะอื ม, ม, มก็คือจะหมนแล้วนะกว่า น, นี้อยากจะถามคำถามต่างๆในไปที่คุณหาต่อคุณหาคําถามเลยกราบนมัมสการ์พระอาจารย์มีทั้งหมดสามคำถามเจ้าค่ะคําถามแรกกราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมไม่เข้าใจความหมายของคําว่าอุ ป, ปจารสมาธิครับ คือต้องได้อัปปนาสมาธิก่อนแล้วค่อยถอยออกมาเป็นอุปจาระหรือว่าต้องเกิดอุปจาระก่อนถึงจะเข้าอัปปนาสมาธิได้ครับพอได้อัปปนาสอยอัปปนาสมาธินี้แล้วถ้าจิตเป็นจิตที่มีมีความสามารถพิเศษก็จะออกจากอัปปนาไปสู่เข้าไปสู่อุปจาระสมาธิเพื่อที่จะได้ไปไปไปไ ป, ไปมีอคติยามีตาที่ถูที่ไรตา่าง คำถามที่สองอุปจาระสมาธิไม่ได้มีกันทุกคนใช่ไหมครับสมาธินี้มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์อย่างไรครับไม่มีประโยชน์สําหรับที่เราไปใช้ในการเจริญปัญญาเพราะมันไม่มีอุเบกขาอืแต่นั้นอาจจะมีประโยชน์นมะาจากที่ได้ตรัสรู้มันะได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์แล้วก็าสามารถใช้สมาธิแบบนี้มาสั่งสอนพวกกายทิพยได้พวกเทวดานะั้น คำถาสุดท้ายกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์ถ้าเพื่อนทางธรรมและเพื่อนที่สนิทหลงเข้าไปสัตว์ทางกับคนที่ไม่น่าสัตว์ทางทําให้การปฏิบัติธรรมของเขาไม่ตรงกับคําสอนของพระพุทธเจ้าเราควรจะเตือนเขาไหมคะถ้าเราคุยกับเขาโดยเสดยังไม่ต้องไปเตือนกันในยถามเขาว่าเขาเขาว่าอย่างไงบ้างาถามมาถามม้เลยใช่ไหมเราก็อยากจะรู้ว่า ยังไงอาจารย์คนนี้ดีไหมท่านสอนอะไรล่มลลามถ่าเราบัตรจะถามว่าท่านสอนมันต้องได้เจ้าสอนหรือเปล่าแต่อย่าไปบอกเขาโดยตรงว่าคนนี้ไม่ดีนะอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวมันจะไปขัดใจเขาได้นคุยด้วยมีโอบายคุยแบบอยากจะรู้อยากจนะว่าเขาเป็นยังไงบ้างดีไหมท่านสอนนักปฏิบัติได้มากคนมากคลนิพพานหรือเปล่า แต่ถ้าคุยไม่ได้ก็ไม่อยากจะคุยด้วยก็ต้องก็งจบก็ปิดสากนะถ้าคุยได้ก็อาจจะอาจจะสอดแดทรกคำของพระเจ้าเข้าไปให้เขาได้มีกติกิ้นมากแต่เราจะไปเปลี่ยนใจเขาไม่ได้หรอกมันเราคงเพียงมันรักอะไรมันชอบอะไรนี่มันเราให้ช้ามาชุดมันก็ไม่มันก็ไม่เชื่อ ขะพ่อแม่บอกว่าอย่าไปกับไอ้หนุ่มคนนี้เลยนะมันไม่ดีนะมันยังไม่ยอมเชื่อเลยเนี่ยมันถ้ามันรักมันชอบอะไรแล้วนี้มันมันจะไปของมันให้ได้แต่ถ้ามันจะเจ็บตัวนะมันถึงจะลุกศึกตัวก็ผิดแล้วอันี้ก็ทําอะไรไม่ได้ถ้าเราปล่อยเขาไปนะโอเคหมดแล้วใช่ไหมคําถามภาษาภาษาอาจารย์โอเคฉะนั้นสำหรับคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ขอให้ท่านลองนำมาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่วความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถอด